จมกอแล้วก็ให้กลา้าสามทีแล้วก็ต้องมีขันดอกไม้ขึ้นปูชาเดินกลับมาข้างทางจุดข้างทางนี้ก็ต้องกล้าอีกแล้วก็มีขันดอกไม้ขึ้นปูชาทำอย่างนี้อยู่เป็นเวลา 2, สองพรรารวมเป็นปีหกเดือน เหลือจากนั้นผมก็สึกออกมาผมยังเป็นห่วงในการปฏิบัติธรรมจากนั้นมาก็มีอาจารย์อีกคนหนึ่งมาตั้งทางสี่สิบมาต้งทางเสียงใหม่ท่านบอกว่าเหตุอย่างนั้นมันผิดท่านเลยมาสอนวิธีอรหังให้ผมก็เลยรับทำตามกับท่าน วิธีอรหังอรหังสัมมาอรหังเนี่ยทำ ม, มาในระหว่างนั้นผมอายุในเกณฑ์สิบแปดปีพอดีอายุยี่สิบปีผมก็กลับเข้าไปบวชอีกเมื่อบวชแล้วผมก็เข้าอยู่ในสิมเลยว่าเจ้าของเคยทำกรรมฐานมาวิธี พูดเข้าโทรออกว่าเจ้าของเคยตำนานทำกับครบาอาจารย์มาทำเป็นสันเข้าเอกาคือสันเข้าเท่อเดียวใวบาทย่ำไปฉะนั้นผลการปฏิบัติธรรมะนั้นก็ทำมาอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆมาบวชอยู่เป็นเวลาหกเดือนผมก็สึก กออกมาผมยังคิดในการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจนกระทั่งมามีครอบครัวเมื่อมีครอบครัวแล้วผมก็ยังคิดในผลการปฏิบัติธรรมต่อมาผมได้ตำลาวิธีพองยุบไปจากจังหวัดอุดรผมก็เลยไปทำวิธีพองยุบอยู่จังหวัดอุดรเนี่ยทำวิธีพองหนอยุบหนอ คืออย่างที่เราทํากันนี่แหละว่าไ้ายย่างขัวย่างแล้วก็ต่อไปก็ว่าไ้ายยกหนอยกชนหนอไปหนอลงหนอถูกหนอกดหนออย่างนี้แหละทํากันอย่างนี้เป็นเวลาอยู่แปดปีทําอย่างนี้ก็ดีอยู่อย่างเดียวกันแต่ผมยังไม่มีรถคือยังไม่มีปัญญาอะไรอย่างนี้ ก็มาผมได้ยินวิธีท่านอาจารย์ปานว่าวิธีติงนิง่งผมได้ยินอย่างนี้ผมก็เลยไปฟังเทศกับท่านอาจารย์มหาศุ ร, ริจันนี่ครัฟังตั้งแต่หกโมงแรงถึงหกโมงเช้าข้อสงสัยบกพร่องอะไยผมถามเอายัง่งให้มันมึนสงสัยอะครับ ท่านก็เลยสุดท้ายไป่าถ้าอยากรู้ต้องมาปฏิบัติเอาจะสอนกันเนี่ยบ่เข้าใจท่านว่าอย่างนี้เมื่อรับฟังโอวาทของท่านแล้วผมเป็นนึกอยู่เป็นเวลาปีหนึ่งผมคิดอยู่คิดหาความสุขในการปฏิบัติธรรมนี่เป็นห่วงยุบเศร้าในขณะนั้นผมคิดอยู่ ผมก็เลยลงมาปฏิบัติที่สำนักวัดหลังศิษย์มุดาลามที่อำเภอศรีชงมไม้นี่เนี่ยเมื่อมาถึงแล้วท่านอาจารย์มหาศรีจันยร์ก็เลยบอกว่าปีนี้จะได้ขึ้นประจำพรรษาหลวงพระบางจะได้ให้หลวงพระวันทองมาเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ตรงนี้ผมก็เลยได้รับคำแนะนำจากหลวงพระวันทอง มาปฏิบัติธรรมะเมื่อมาปฏิบัติธรรมะอยู่หันท่านให้มีกรรมฐานการขอขอเข้าขอออกอย่างนี้ผมก็เลยทำกับท่านว่าขอกรรมฐานเมื่อขอกรรมฐานแล้วท่านก็เลยบอกว่าให้ไปภาวนาตายตายอย่างนี้เนี่ยเมื่อผมมานึกอยู่ในห้องกรรมฐานของผมแล้วผมก็เลเอ๊ ภาวนาตายนี่เราเฮ็ดมาหลายปีแล้วมันยังบ่เป็นนี่อย่างเทนาไงผมคิดอย่างนี้ผมก็เลยมาทำจังหวะอย่างที่ท่านหลวงพ่อวันทองสอนให้ตีงี้ตีงี้ตีงี้อย่างนี้แหละท่านสอนให้ยกเป็นจังหวะเมื่อมันหยุดท่างก็ให้วันนี้เมื่อมันตีงั้งก็ยกวัาให้มังตีอีกเพิ่นพันโยในขณะนั้น ประมาณจักชั่วโมงหนึ่งผมนั่นเลยคื อ, อจักทีเว้าวให้เนี่ยอวสังนี้ก็่ด็มันเป็นการบริกรรมขันหา้าหักาเว่าวยังซีอยู่กับเป็นการบริกรรมมันก็ที่ไปซิดอยู่คือกันกับละว่าพุทโธพุทโธอย่างที่คือเก่านะว่าผมที่อย่างซีทำวันนั้นเลยบได้ผลนอน เตือ น, นอเรามาเมื่อน้าคนที่เอามาคักๆเราจำพวกเตือนมาคับทำกันรลดอีกเมื่อทำกับทำอีกชึ่งทำเดือนพอเดินในเกนฑ์ปีห้าม่ีผมลุกเดินจนผมโดูตะกร้าตเป็นแสงออกมาตัวผมนล่คือแสงแดงห้อย ผมก็เลยเข้าใจว่าทำไ ม, มาเกิดขึ้นกับเราแล้วแบบ น, นี้วันนั้นผลนึกไปนึกมาผมได้อ่านหนังสือประถมะสมโพษอ่ะเป็นนิดระลว่างอันือก็หายไปผมก็เดินจนกมกองยู่ไม่นานก็เกิดขึ้นมาอีกเติมมันฮ้องเป็นแสงสว่างออกจากตัวผมนี่คลายคายคือใต้กระบองหรือคือแสงตะเกียงจะพยุบนี่เนะี่ ออกจากมือผมผมได้เอามือทั้งสองมือมาแลกกันไว้ลว่าโพแถมธรรมะนี่เป็นทังซีเนาะวะสันผมเข้าใจว่าแมนธรรมะอันนี้ก็เดะผมไปเป็นนึกคิดเอี่ยเราอ่านหนังสือปฐมมาสมโพดเนี่วเป็นนิมิตแล้วอันเนี้ยสันก็เลยหายไปอีกตึมผมก็เดินจงครมอยู่เดินไปเดินมาเดินห้องแคบ เมื่อเดินไปเดินมาเนื่องแล้วผมก็ลงมานั่งนั่งมีเมงงอดตัวนึงตกลงมาตั้งเตจบนตกใส่ขาผมเนี่ยผมก็เลยพิจารณาเอ๊ะนั่งเบื่อเมงงอดตกแต่มันก็ว่ดตอดผมมันก็เลยอยู่กับขาผมมันเอ๊รูปนี่มันบริฮ็ณอย่างให้กันเนี่ผมเลยเข้าใจอย่างซีโรดขาเราเป็นรูปเมงงอดก็เป็นรูป ขาล้วก็เป็นรูปน้ําเนื้องอกก็เป็นรูปน้ําโอ้มันเป็นรูปน้ำคือกันหมดทั้งสองอย่างเนี้ยส่วนมันทําลายกันนี่มันให้มันตอดนี่มันไม่นม่ยังมันแม่นนามอันนึงบังคับให้รูปทำชมกะไรนึกได้ว่าโอ้รูปนามนี่มันอาศัยซึ่งกันและกันมันเกี่ยวเนื่องกันเนี้ยสหรับรูปนี่เราทำอย่างเป็นนามนี่บังคับให้รูปทํำ รูปกับน้ำเนี่ยจึงติดกันอยู่บนเสาจักรเถ้อผมก็เลยเข้าใจเรื่องรูปน้ำชัดนะเตียงก็เป็นรูปเป็นน้ำามาทันตรงเข้าใจาทันทีแล้วผมก็เลยเอาไม้มัดให้แมงงอดไตออกจากขาผมผมก็เอาแมีงงอดออกไปวางไว้พอได้แมงงอดเน้นออกไปวางไว้ทางนอกคุณแล้วผมก็เลยมาทําอีกตื่นมันก็เลยปรากฏขึ้นมาว่า เอ้ลูดน้ํานี่เป็นทุกเด้การเคลื่อนไหวทุกส่วนเป็นทุกแม้สัตว์เล็กๆน้อยๆก็เป็นทุกจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็เป็นทุกโอ้คุณว่าทุกขงังอ น, นิจจังอนัตตานี่มันการเคลื่อนไหวทิพตาหาใจคิดนึกทุกส่วนนี่มันมันทุกขงัง น, นี่อนิจจังนี่แปลว่าเราจะนั่งอยู่จากชั่วโมงหนึ่งนี้ บวชให้หนึ่งให้ตีจากน้อยนี่ก็ทนบไดาโอ้อันนี้มันเป็นอันนี้จังเนี่ผมเลยเข้าใจไป่บงทีส่วนอนัตตานั่นแหละบังคับบอดายอย่าพิพตาเบื้องตัอย่าหาใจเบืง้งตูวอย่านึกอย่าคิดเบื้องตัวสจากส้วมองหนึง่งบอดาผมเลยเข้าใจว่าโอ้ทุกครั้งอันนี้จังอนัตตากเกิดดาบเนี่ลงยุทสภาพเดียวกันเนี่เพราะมันบูจะแต้อำนาจบังคับบัญชาผู้ใด ผมก็เลยคิดอย่างนี้เมื่อคิดถึงมาแค่นี้เแี่ยน้ําตาผมเลยพังออกบนเป็นพังมางนะครับมันไหลออกมาซสื่อๆน้ําตามันไหลออกมาผมน่าสมเพชน่าสงสารที่ผมเคยทํามาทําให้มันเสียเวลามาเป็นเวลาหลายอย่างน้ําตานี่ไหลอ ย, อยู่อย่างนั้น ต่อมาผมมาคิดถึงสภาพทุกข์ผมเคยเป็นคนติดบุหรี่ครับผมสูบบุหรีน่นี่บอดได้ให้ให้ผมเสาบุหรี่นี่คืออย่างผมว่ากับหลวงปู่ทองมาเนี่ยให้เสาร์สูบบุหรี่เนี่ยให้ตายสาบผมกับคืดปานนั้นคือกันผมมีบุหรี่กับไม่คีดติดอยู่หันค้างของมันผมก็เลยว่าหัวจากทุกข์ หายใจเข้าก็เป็นทุกข์หายใจออกก็เป็นทุกข์เกิดน้ำลายลงก็เป็นทุกข์บัด น, นี้มึงสู้บุหรี่นี่ก็าจะเป็นทุกข์บ่อว่าสันบัดนี้ทุกข์ว่าสันสู้บังด้วยมึงสูบได้บ่อว่าสันผมถามผมเองเนี่ยสู้บ่ได้แล้วขันบ่ ด, ดุญาติให้สู้กับสูบบ่ได้แล้วอ่ะสันเอ้าสู้บังด้วยสันสูบบ่ได้สั น, สสสนดุญาตเมื่อกูจะดุญาติให้มึงไปจับเอาบุหรี่ als. เอาไปเอาไปแตะไวปมือเดียวมันกระจับบ่อขึ้นเอา้า เอาขึ้นมาแม่จะเอาขึ้นโบได้คันโ่อนุญาตให้สกอนั่นสิผมก็อนุญาตให้มันเอาจับขึ้นมะบะเหนียวจับขึ้นมาทอดบุรีออกจากมันสองมันทอดโบออกเลยมือเดียวคันให้จับเอามือเดียวนี่ขัทอดโบออกจําเป็นต้องคันโบให้จับสองมือกับทอดโบได้ผมก็อนุญาตให้เอาทอดออกมาบางดูปสิเอามาเจ่อใส่ปากผมเนี่ยเอาบางรูมึงเอาได้บ้าัสนเอาโบได้คันโบอนุญาตให้อ้าปากขึ้นสกรมาสน มันหักเป็นในตัวมันได้ครับเราเนี่ยผมกระดุยน่ะอาปักบางรู้สัง่งอาปา ก, กเอาบุลีสูบยักเสปากมีบนเนี่ยบันนีบุรีนันพวมีไฟบันเนี่ยสูบบัได้ธรรมดาไฟบัวไม้บันนี่ก็เอา้าสูบบางดูสง้สั่งสูบบัได้ขันบัเอาไฟมาใส่เอา้าเอากับขี้บางดู้ั่งจับมือเดียวจับมือเดียวมาต้อยกับขี้กับบัวเป็นในมือเดียวบันนี้ ขันโบดูญาตให้จับสองมือขับโบได้แล้ววะท่นผมก็เอาดูญาตให้มันจับสองมือจับจับกระมาไข่ออกไข่จับเท่าไหร่กับขี้ซื้อบนเนี่ยต้อยโบเป็นอีกตืมโบดูญานให้ก็ต้อยโบได้แล้ววะท่านเออต้อยบังดูวะท่านบนเนี่ยต้อยต้อยเอามาจีเซิงบังดูงจีเซิงมาก็ะสูบเขาเนี่ยนี่เป็นปัญหาที่ให้ผมสะท้อนเรื่องการเห็นผุก เป็นพิษเป็นภัยแก่ผมผมก็เลยเอา้ามูสุดเข้าไปนี่มันให้ประโยชน์แก่มึงอย่างเดมีแต่การทำลายล่างกายทั้งนั้นนำเสื้อโลกเข้ามาเม้นทราบเมนข่าวมึงูมจกักบอกควมพินาศจิตหายผมมาวาให้ผมเองศาสซัวสาสตโงมึงเนี่ยบักพินาศจิตหายอย่างนั้นอย่างนี้โอ๊บสารพัดแต่มันวาผมผมวายผมเองผมก็เลยตั้งแต่เมื่อนั้นมาผมเลยหยุด สุบุรีเลยโบสุบจักเธอเทาเดือนนี้ล่ะครับเรื่องการสุบุรีแต่น้ําตานั้นไหลอยู่โบเสาเป็นอยู่ขังกระด่ต่อมามีแม่ออกเอาข้าวต้มไปให้แมอ้ อ, อเอาข้าวต้มไปให้ผมยังให้อยู่เป็นยั้งมาสักผมน่าสมเพชน้าสงสาร เมื่อผมโบได้เข้ามาในสำนักนี้ผมซิบรไดลูธรรมะอันนี้และน่าสมเพชน่าสงสารผมบมีผู้บอกให้ผมวสันานเสาอย่าให้วสันมันกระอดโบไดพอเวลาสันจังหันแล้วนี่ท่านหลวงพ่อวันทองเนี่ยไปหาผมบัดเนี่ยเพื่อนไปสอบอารมณ์เพื่อนไปเห็นผมให้อยู่สบนำหน้าบอ่าสันพราน อว่าทัานผมนึกคิดใจไม่เหมือนเพรคนเนี่ยมาให้โอนซีกันมมาสบน้ำหน้าน้ำตากันเราเห็นธรรมะอย่างซีกัหน้าที่ที่มาปลอบโยนกันทั้ง่านอย่างซีผมนึกคิดไปอว่าหลวงพ่อนี่คล้ายๆคือโบมีธรรมะแท้ๆว่าท่นมาสบน้ำหน้าน้ำตากันอั่งซีเลยน้ำตาผมก็เลยเศร้ามันเป็นปีตีขึ้นเพราะการเห็น รูปนามทําอิศนี่ขั้นแรกหรือว่าผมดีใจกระแมนเป็นปีตีกระแมนยินดีเพราะผมได้รูรูปรูปนรป้นามรูปรำนามทารูปโลกนามโลกรู้ทุกขังอนิจจังอนาตามมัตตาลู้สมุิลูปไปมดในขณะนั้นครับบ่มีการหยุดยัง้งพอดีออกจากรูโมนีเนี่ยพอวันทองวานแต่กร น, น้ำตาก็หายไปเป็นไปให้อารมณ์อีกตื้ม ตั้งสติให้มันดีว่าเศรษฐนวลับผมก็บอกเอาซิครับเพื่อนเลยบอกว่าจิตเป็นนากายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายเข้าใจบอกเข้าใจครับตั้งใจนะเศรษฐนวลรับว่าผมก็เลยตั้งใจกระทํากันอีกไปทํากันอีกไปในขณะนั้นเย็นจนจนมือแรงให้ว่าจะไป ทำเพิ่อ น, นี่ไปได้ผมก็ทำอยู่ทางด้นเจนเมื่อแรงในขณะที่มาที่ในเกณฑ์ทุมหนึ่งนี่แหละผมก็เลยเกิดปรากฏขึ้นอีกตืมหู้จากการคิดการนึกนี่เป็นทุกถนัด ม, ม่การคิดทุกส่วนถนัดผมก็เลยตั้งส ต, ติเบิ้องบาเอาตัวทุกตัวนี้มันเป็นละเอียดที่สุดผมเอามือผมมาแกงสิละนี่มันยากนี่ว่า่น แล้วผมขยับเข้ามาพิตารนี่มันละเอียดเข้ามาหายใจนี่คนอื่นยังมองเห็นได้อยู่ส่วนจิตใจคิดนี่คนอื่นมองเห็นวัวได้ปทัทโตตัวนี้เด้มันละเอียดคนหมูท่านผมก็เลยเอาสติมามองดูจิตใจนี่แหละครับอยู่โบมีไผ่บอกไผ่สอนเรื่องนี้แต่ครูบาอาจารย์กับโบได้แนะนําเพิ่นบอกทีว่าเอาดีๆนะจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายเพิ่นไปให้แต่เพียงแค่นั้น ผมก็เลยมาตั้งท่ากูชิบเบิ้งจิตมันคิดมันนึกนี่คนน่านะวะสันมันเป็นยังไงวะสันมันคิดมาจากไหนวสผมมามองข้ามลมหายใจนิดเดียวครับตัวคิดนี้อยู่ต้องนอกอยู่นอกลมหายใจนิดเดียวมองข้ามอยู่ที่ตรงนี้นะพอดีมองข้ามที่ตรงนี้ตรงนี้ผมก็เลยปรากฏเข้าหู่จักรมัตมาเมื่อหู่จักปรปลามานี่จิตใจผมน้ำหนักตัวผมนี่นะสิบสองกิโลวะสัน คล า, ายคคือมันเบาขึ้นมาอีซึมในเรล่าอย่างน้อยที่สุดว่าท่านผมเอาทิ้เมื่อกี้นี้หกกิโลเหลืออยู่หกกิโลว่าั่นว่าเนี่ยส่วนควมโบดีให้มัได้แป้งผมรู้จักปรมัจารย์แล้วผมเดินจมกรมไปอยู่เดินผ่ามันบนยาวครับเดินไปเดินมาอยู่ประมาณอีกจากห้านาทีเป็นอีซึมทําให้จิตใจผมเตี้ยนแปลงประจากสภาพเดิมอีซึม ทั้งหกิโลนั่นแหละออกไปอีกซึมเหลื อ, อยุตประมาณมาจากสี่กิโลปลาโถจิตใจที่มันเปี้ยนเป็นระดับเป็นอย่างสี้เด้ผมนึไปห่วนคิดนะฮะอันเพิ่นว่าปฐมศาสตร์ทุกปัญญาศารนี่มันเป็ น, นอภีปุณหะแต่ผบคิดอย่างซิ้นล่ะพมก็เลยเดินไปเดินมาอยู่ปรากฏขึ้นมาอีกซึมระดับจิตใจมีนเปี้ยนขึ้นมาอีกเป็นครั้ ง, งที่สามนี่ครับ มีอารมณ์เป็นตอนเป็นตอนไปน้ำหนักที่กิโลนั่นแหละจิ๋วเหลื อ, อยุคลรมานะจากสองกิโลตกไปอีกขึ้นจากสองกิโลครับข้างเป็นซีเนอร์็ุกเกอร์เกิดกเกิดมาแล้วบ็เคยเป็นซีแจัคเถือ่อเมนแม่นทางปฏิบททัติจะแทบัดเงียมาหยุดอยู่นีพักหนึ่งอีก่เฉยหนึง่งคิดหาพ่อหาแม่คิดหาอ้ายหาน้องคิดหาในตะปุลคิดหมิดโลกบัดเนี่ย คนนี้ต้องการธรรมะ ม, มื่อทุกคนครับผเข้าใจเด้อมันพรนานาออกไปนอกไปสะกดบาดเนี้อพรนานาออกไปเอ๊มันคิดไปส่วนนอกนี่เหมือนโบแมนหรอวะผมเข้าใจว่าริปรลาดมันออกไปนอกมันเป็นตัวมันอันส่วนเมื่อรู้ลูกหนาเมื่อละพนาพันนาอยู่หันมนคนาคิดในคีดนี้นเป็นวิปัสนาอันเนื้อผมเลยเข้าใจบางสี่ แต่ว่าต่สุเบื้องจิตคิดลึกตัวนี้ต่อไปอีกซึมเบื้องฟ้าตามภาษาบนมีครูบาจังที่แนะนําแห่มีอยู่เพิ่นแนะนําอยู่แต่เพิ่นถาว่าไปหาเพราะมันเป็นเวลาที่มันใกล้กันให้ว่าจะียบพก็เดินจมก้มอยู่เดินไปเดินมาเลยเลยแล้วกันครับตอนนั้นมานอนนอนตื่นมากประมาณตีสี่ อย่างัำว่าอย่างสวยหรือที่เป็นตีสามนะครตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามาทําอีกตื้มทำญี่ประมาณจากชั่วโมงหนึ่งครับบันนี้ครับปรากฏขึ้นมาอีกตื้มเสียแล้วบันเนี้ยปรากฏผมว่าโอ้ลักษณะนี้เป็นอย่างไรลักษณะนี้เป็นอย่างนนไนไหลขึ้นมาตั้งแต่เมื่อผมรู้จกักรูปนามไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาจิตใจมันเตี้ยนขึ้นมาบันนี้ เบิ่งอยู่บันทึกผมเรารู้จักว่าเรื่องวิมุตินี่แหะครับวิมุตว่ากันคือความหลุดพ้นวิมุตเป็นเหตุเจต ว, วิมุตเป็นผลเจต ว, วิมุตินี่คือผลที่ได้รับเด้งผมคิดอย่างซีขึ้นมาคิดอย่างซีอารมณ์ที่เกิดผ่านมานั้นประจํามาจําม า, มาเช่นเท้าทุกวันนี้อารมณ์ผมจําได้โบลงโบลงจักข้อเท้าทุกวันวนี้ที่ผมนํามาเล่าสูโมู่ฟังนี่ วันนี้เบิ้งไปหู้จักว่าอโกโซนทางกายทําบาปด้วยกายนี่นี่ e completo. ว่าอาโกโซนตายไปแล้วเป็นอย่างว่ากันวันนี้อโกโซนทางวาจาว่าตั้งแต่ปากซื้อล่างกายบทธรมตายไปแล้วบาปเป็นอย่างว่ากันอโกโซนด้วยใจคิดอิจฉาเบียดเบียนผู้อื่นซื้อเตะบทโบดากายกระบธรรม ตายไปแล้วเป็นยังไงวะท่านผมถามตัวเองผมได้เนี่ยมันคิดผู้เดียวมันถามผู้เดียวมันวันนี้ทั้งสามอย่างนี่แหละวันนี้วันนี้อะโวสนทางกายหนึ่งกายกระทาปากกระเว้าอีกตึมเธนึงใจก็ยังคิดคิดศาสตร์ลิศยาเขาอยู่เธนึงสามอันนี้มารวมเข้ากันเนี่ยมันตายไปแล้มันได้เป็นยังไงวะท่านรวมเป็นที่ข้อด้วยกันมาบวกกันใช่ไหมวันนี้ กศลด้วยกายสันเอาแต่กายทำบุญซื่อๆส่วนวาจานั้นเบาปากเบาเว้าทำตั้งแต่ก่าตายไปจะเกิดเป็นยังบุญอันเดียวบัด น, นี้กุศลทางวาจาเว้าตั้งแต่ส่วนมู่ทำบุญทำฐานเนี่ยตายไปแล้วจะเกิดเป็นยังบัด น, นี้กศลทางใจมีแต่ใจคิดซื่อส่วนร่างกายนี้เบาถามปากกับเว้า ตายไปแล้วจิตตะเกิดเป็นหยังวะ่ยคิดกันสิวันนี้กุศลด้วยกายกายกระทําทําบุญเนี่ยทําดีเนี่ยวาจากวะกระทําอะไรใจกระทําทําดีทั้งสามอย่างนี้มาบวกเข้ากันแล้วตายแล้วจิตตะเกิดเป็นหยังวะน เ, วงวนว เ, นเนี่ยพอ ด, ด, ดีเบื้องมาเท่านี้แหละครับค่้ายจิตปีศาจอย่นะขาตั้งรถจิตใจผมฉันเดิดขึ้นหรถรับจิตใจผมนี่ขาดออกจากกันแต่บนนี้ ขาดกระมนไผ่โเห็นเนาะเรื่องจิตใจขาดไผ่โบจะต้องขาดทับมือ่งสะดิดขึ้นเลยครับผมผมเดินจงกรมอยู่เดินไปเดินมาผมนึกคิดว่าพุ่มขวัสุขในหลักพุทธศาสนาเนี่พระพุทธเจ้าสอนมาแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นี่รวมลงมาสู้สุดเดียวนี่เด้ผมนึกเข้าใจอย่างซี่รถได่เกลือบผมก็เกลือบพลาดอีซีมเพล น, นึงเฮ้งอารมณ์ครับ เลยมาทิ้งอารมณ์ผมที่ผมเห็นเรามานะ่ะเนื้ออกรมณ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพยุงไปไปสบายโพษเกินไปสบายยุ่ประมาณนะจากชั่วโมงหนึ่งครับเดินไปเดินมาเบามาก ส, ส่วนการที่มันหนักแน่นยึดนำตัวนำตัวคนมดว่าสนาผมไว้มัดไม่มีอะไรเหลือเสียแล้วบัดนี่ยสบายไหลสบายหลา ย, า ย, ลายมันมันเคลีบติดด้วยความสุขครับอ้าว บ่เป็นฮาเล่นมีวากันท่าว่าติดแต่ผมสุกนี่ยมันจินหลักลืมห ล, ลักฐานเล่นมีวาท่นผมคิดขึ้นมาบางสิ่งขึ้นมาอีกทีผมกลับเข้ามาทวนอารมณ์ผมอีกเืิมเสี้นึงเมื่อกลับเข้ามาทวนอารมณ์ผมแล้วผมก็นึกได้โอ้อันนี้เปรียบดั่งไม่มีห้องอันนึงแล้วเอาไม้มาพาดอะไรอยงนี้ถ้าเราเดินไปที่ไม้ลำเดียวถ้าเราเยียบไม้ลำเดียวพลิกแล้วตกตกลงแล้วก็เป็นอันเถึงดินถนิดเดียวตายโบได้อยงที่ว่าท่น บันเนี้ยถ้ามีไม้พาดแล้วก็มีไม้อีกตึ้นล่ะมึงจับให้เราเดินไปได้สบายเมื่อเราเซเราที่ได้จับไม่อันนี้เป็นกําลังแรงเลยโอ้อารมณ์นี่มาช่วยให้เป็นกําลังแรงบบให้เราลืมตัวนี่แม้นอารมณ์นี่เด้อ่านลักษณะความเป็นอย่งซีผมจึงเชื่อแนว่ว่าคําสอนของพระเจ้านี่มีท่อนี้เนาะท่านนี่มันเป็นอย่างซีประวัติคมค ง, งปฏิบัติธรรมะมา เราให้ฟังของเทียงจอจอต่อจากนั้นมาผมก็เลยปฏิบัติมาอย่างซีโยูมาแล้วกับมือปีนั้นเป็นเป็นแปดสองคนคันท่าเป็นมือวันมือสิบซี่ของพอกเรากับมือสิบซี่ของเมืองมืองเหล่านั้นอะ่ะมันบูถูกกันพระ อ, อาจารย์ปางก็เลยมาตกมือสิบ้าของพวกเขาที่มามาต้อก็เลยมาถามผมเอาผมไปถาม เพ่นสอบนักปฏิบัตินําคัญนี่คนสอบทีละคนละคนครับโบคือพวกเราให้ไปหาทีละคนโบได้ไปพร้อมกันมีนักปฏิบัติผ้าจํานวนยี่สิบสามองค์ยี่สิบสามลูกให้ว่าจะไปแล้วก็มีโยมผู้หญิงผู้ชายก็มีห้าคนปฏิบัติด้วยกันมูนั้นไปหมดแล้วบ้านนี้ก็เป็นตกเพี้ยนผมไปเมื่อนําแดดผมเป็นสลบาตไปเมื่อไ ไปฮอตพ้นก็ถามเป็นย่งใดว่าสันพิ้นถามเมื่อยครับวะก็ะของคนเมื่อยมันก็รู้จักเสันว่าโน่เมื่อยเพชรซิบุกหัวจักมู่พื้นกระจีหัวจักสุขคนว่าเมื่อยขันทํางานเมื่อยเมนบอกเออกระหัวจักผมก็เลยตอบว่าเมื่อยครับวะหู้จักบ่าเมื่อยสันหัวจักครับวะผมก็ตอบอย่างซื่อตอบซื่อให้มันเดิไปอันนี้สำคัญเลยว่านั่งย้อนมีสติบอสันมีครับวะ สติอยู่ใสสันยู่กับผมนี่แล้วครับว่าเพื่อนก็เลยบอกว่ากลับเข้าห้องกลับมาทานอีกคืนไปว่าสันเพื่นบอกป้าท้ว่าอาจารย์นี่สิมาแก้ปัญหาถามปัญหากูแล้วเด้บัานเหนียวสันพมก็เลยย่างเดือยจมกลมมาโอยเมื่อใดเด็กกูจะจะแก้ปัญหาท่านอาจารย์นี่เนาะท่านผมคิดยังซีอยู่เอาละบได้วัอนึงกับวันนึงแหละเพื่นจีมาสอบอารมณ์กูเนียวสันผมใจกล้าหาญอยู่สันครับ เรื่องอารมณ์เนี่ยก้าอยู่วันนี้ก็ตกลงมามือหน้ามาเพื่อนมาอีกซึมแล้วครับมาสอบอารมณ์บวมมือหน้าบวมไติดกันเนะครับระยะห่างกันสองมือเพื่นมามาก็เลยเอานักปฏิบัติจํานวนยี่สิบสามคนนั้นไปสอบก่อนผู้ชายผู้หญิงอันที่ปฏิบัติจํานวนกันไปสอบก่อนเมื่อทุกคนแล้วกรัผมเป็นคนสุดท้ายอีกซึมงบัดเนียเห็นไม่มเอาพ่อออกเสียงคานมาดูวะทัน สังกัดนั่งอยู่โต๊ะคื อ, อยังซี่แล้วสังกัดนั่งคือเพุทธอาจารย์นี่เนะพ้นอิงหมอนเทามีหมอนเทาใหญ่คือหมอนเทาขาเจ้ามาถวายเท่านี้นั่งอิงอยู่พ้นกระถางพมไปฮอสนะเป็นยังไดงพอออกเสียงคานแล้วผมว่าเป็นอย่างครับมาสั่น<ะ>พ้นมาเพ้นตะคอกพ้นคู่ให้ว่าจะไปใจนี่วักหนึ่งยันขึ้นบนเนี่ยเอ้ามึงยานยังไงมึงบ้ไข่โบ้เจ็บโบ่หนาบ้เป็นมีอย่างมึงยานยังไงก ใจเกิดขึ้นอีกซืมพูนหนึ่งคล้ายๆ ค, คือมีคู่บระเดี่ยวผมเป็นคู่นั่งเหี่ยงค้างนะครับใจิตใจเนี่ยมันกล้าขึ้นมาอีกซืมเธอญหนึ่ ง, งคล้ายๆคือว่าบ่ยานให้มันไปไปครับใจกล้าหาล้ามารถวาได้แบบนี้ใจนี่พ่อมึงยานสิเมื่อกี้นี่ยานทําไมครับท่านเราจะว่าไปย่างโกงไปโก ง, งมาเมื่อนี้วะท่านถ้าถางเป็นปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาว่าสังคิดอยู่ในใจบบบนี้ เพิ่นเพิ่กิดเลยถามถามมาพอออกมาาว่าเป็นยังไงท่จักอย่างใดหูจักอารยบุญตอบบุญจักอันไดนหัจักตัวผมนี่แล้วอาจารยตอบคนห่งหัจักอันใดหู้จักตัวพออกนะหู้จักรูปธรรมนามธรรมหัจักรูปนามหู้จักสมมติหู้จักศาสนาหู้จักพุทธศาสนานี่แล้วอาจาย คนคันบู้าจักรลบบู้เขาจักรน้ำบู้เขาจักรลบทำน้ำทำบู้าจักศาสนาครับบ้าเ ท, ท, ท่านั้นคือคนตายแล้วนี่เท่านั้นแล้ววัดสัมพันวานแมนครับผมตายด้แทสะก่อนผมเป็นคนตายแล้วครับว่าผมเกิดใหม่ด้ เ, เดี๋ยวนี้นี่ครับว่วาชาวันอ้าวคนคนเกิดใหม่ที่ ม, มาอย่างสังซีได้วัดสัมพันธามันเด็กน้อยมาจีมาจังซีได้ยังไดวัดสัมพันวาพันพนัพ น, พนคู่กับแมนพันวาซือกัแมนบ่ญแดนเกิดใหม่จังซันครับว่า ผมเกิดไหมนี่หมายถึงบมได้เกิดจากพองแม่ครับวะ่ะผมเกิดปัญญาอันนึงขึ้นมาในตัวผมนี่ซื้ อ, อนี่เลยครับวะ่ะโอ้ยคนเนี่ยขันบุู้้จักรูกหุ่จักหนานนทสิกะคือคนตายแล้วนี่แล้วดังคนว่าสองเถื่อครับวันบีรู้จักจครแแท้ครับแต่ก่อนครับเดี๋ยวนี้ผมหู้จักเดินนี่ครับหู้จักรมันเป็นทั้งไหน <S <S พอเสื้อแทบบอเสื้อครับวะ่ะผูขึ้นว่าบัแมนจินว่าแมนบอดแมนครับว่า อาจารย์นี่ว่าบว์แมนจีเสือ้อโบว์เสื้อครับว่ะเสื้อผมเองว่ะท่านเพื่อนก็นเลยมานั่งกองความคิดอยู่เพื่นจีหาข้อมาถามผมนั่งประมาณอยู่บ่นานนะครับ น, นากนกระที่ประมาณจะห้านาทีระหว่างนี่นะ่ะ <c oughs> เพื่อนเลยถามเพื่นพระออกเกลือเข็มบ้าว่าเพื่นถามโอ้ย <c oughs> อันยังซิกกะจีมาถามกัานลนะเนาะว่ะเพอน ปัญหาเด็กน้อยแล้วแหละบเหนียวสันพงเข้าใจยังซี่ครับเป็นปัญหาเด็กน้อยว่าสันผมคิดอยู่นะมาถามอย่างซี่มาถามปัญหาเด็กน้อยแล้วแล้วมัก็เลยต่อเพิ่มมาเกลือนั่นมันโบเข้มนะครับแบมันยุกกระถอบคุณมันโบได้ยูลีนผมนี่วะ่ะผมบูงหัวจักว่าเกลือเข้มเพราะเกลือโบยูเดรลีนผม มันเค็มถ้ามันเค็มก็เค็มอยูพุนมันบวเค็มอยู่ในร์ดินผมนี้ผมว่าเกลือบวกเค็มเดี๋ยวนี้เนี่ยครับว่ามันก็บอกมันซี่โล่เพิ่งเกิดเลยอ้าวเกลือของมันเค็มมาให้ได้ว่าๆกันบวกเค็มครับเกลือบวกยูในีดินผมเพิ่งเกิดเลยแล้วไปเพิ่งเกิดนั่งไปประมาณอี ก, กตั้งจากห้านาทีปัญหาวิธีมาถามเพิ่งกลับมาถามว่าพอออกออกฉันมักพริกเผ็ดบ้าฉัน ผมก็ตอบอีกตืม ม, ม, า, ม, า, ม, ม, มามักพริกโบเซเดยูริลินผมนี่มันจีเพลดอย่างไรครับผมบอกใ้จักมักพริกเผ็ดซ้ำหมักพริกนั่งโบเซเดยู่ในลินผมถ้ามักพริกอยู่ในลินผมนี่มันเผ็ดผมก็จะได้รู้จักเดี๋ยวนี้มัมกพริกโบได้ดยูริลินผมผมว่าเผ็ดเดี๋ยวนี้นี่ครับผมก็ตอบไปอย่างทีผมกันั่งข่าวหนึ่งประมาณจากห้านาทีน่ะแต่เพื่อนจีถามแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยครับเพื่อนต้องคิดสกอนเพื่อนอาจารย์ตาเ น, นี่ยเพื่อนต้องคิด บัตรเหนือพันธามาเพราะออกวัสดุสมุดหน้าบัดรเหน่อวัสดุพันธ์ราะคําว่าดํานี่สีอันใดดําหลายวัสดุพันธ์รามโอ้ยว่าเพื่อนอาจารย์ปามนี่อย่างว่าทั้งสน้อวัสดผมคิดดิคําว่าดําที่มันเหมือนกับดำท่านแล้วครับอันใดดําเหลือจกดําไปบ่มีตกรับว่ะต้อนกันเลยเสาวไปกลับมาถามอีกตืมมึง ข่าวเด้อันใดข่าวหลายก็กันที่บอกคำว่าข่าวกับมดกับข่าวเท่านั้นข่าวเลือกข่าวไปไม่มีเพราะว่าอันใดครับว่าก็เลยตอบพะลวงไปโรดบันนี้ว่าดําก็กคือกันเลือดดําไปไม่มีข่าวคือกันเลือกข่าวไปไม่มีซิลคือกันเลือกซิลไปไม่มีแดงย่างเดียวกันครับเลือดแดงไปไม่มีเรื่องคือกันเลือดเรื่องไปไม่มีสุดเท่านั้นครับว่าเรื่องมูนี มันสุดกับเรื่องของมันที่ซื้อผมก็ตอบบางทีเพื่อนที่ถามหาจุดว่าที่สุดของพวกทาเพียงแค่ไหนท่านผมเข้าใจไปยังทีความหมายของเพื่อนอาจารย์ปาถามผมถามปัญหาเด็กน้อยผมเข้าใจไปในทองนั้นอย่างผมว่านี่ผมเข้าใจว่าเพื่อนที่ถามหาที่สุดการปฏิบัติรมเนี่ยมันจิสุดแค่ใดว่าท่นเพื่อนคคอที่มีความหมายไปท่นผมก็เลยแก้เป็นงั่นเลยโลดเพเดียวบัด น, นี้ เิ่งกันเลยมานั่งเพิ่มเติบโยมมากันขบับสมมติว่าวัดหลังสี่มุตรหลางนี่แหละเป็นปลาแล้วออกไปหั่นกับเป็นปลาดอนอีกตึ่นดอนหนึ่งและมีโยมนคนหนึ่งออกจากนี่ไปแบกปืนไปวัดสันเพินวานแล้วไปเห็นเสือตัวนึงงยิงเสือใส่ทิ่งไดอนหัน่น ได้โยมคนนั้นก็ไปบอกให้โยมมาหาอาจารย์จิมาบ้อท่านผมก็เลยต่อเป็นกรมาแล้วพระอาจารย์สร้างหมากรมาแล้วจิบมมาหาอย่างไหนครูบาอาจารย์สั่งมาคันมาหั้นเสือใส่กัดวัฒนวาน่ะอ่าจิกัดจย่างไหนขับเสือบทันเห็นเทนี้นั้นจิ้นเฮตันไหนหก็ต้องรีกแม้วัฒนวานะบลีกครับผมสีย่างมานนำทางขันมาซื่อๆขันมานำทางเสือใส่กัดแท้ๆวัฒนวาน บอกครับผมโบรีพันพันงัวพันจูงไปในทางที่ให้ผมหลบครับผมนึกได้โอ้ยพี่อาจารย์นี่มาถามวิปลาสเราแล้วแล้ ว, ลวอันนี้ว่าท่นผมเข้าใจยังสิคนบูมู้จักวิปลาสปฏิบัติวิปัสนามาชี้หูจักจุดหมายปลายทางยังได้มันกรเฮ็ดไปทั่ที่ทั่วเด่นนะบอกผมเข้าใจไปยังสิผมโบรีทางดอกครับต่อเมื่อผมเห็นเสือเมื่อใดผมจิ่งจะหลีกเมื่อนั้นถ้าหากผมว่เห็นเสือเมื่อใดแล้วผมโ บ, มมบรี บางทีผมเอาชนะเสือก็เป็นได้ผมก็ะเดิตอบทางซีพอดีตอบทางทีจริงบอกพอออกว่าส้นณถามรับว่ามีความสามารถจังสันเตียามสามารถจังซีล่ะรับว่าทันหนึ่งจำนวนคนปฏิบัติอย่างนี้ผู้หนึ่งขออนุโมทนาบนุญในเ น, นื้อโยมนผมก็บโดีใจบบเสียใจยั ง, งคุณบาปปันนั้นแนล้ัน ผมมีการปฏิบัติอย่น้ำสำนักหลวงพ่อบรรทองเป็นเวลาสามเดือนเมื่อครบกำหนดสามเดือนแลน้วบัดนี้ผมก็เลยนมิมนต์พระจำนวนยี่สิบสามูปนั่นแหละไปทำความเข้าใจกับท่านอาจารย์ตานย่วทศประหลวงไปไยละว่าเพลินให้มาได้ไปซื้อผ้าสบงเนี่ยยี่สิบสามผืนไปอีกด้วยไปไขละวะ่า เพื่อนอาจารย์ตามยุวัศกพลวงเหมาลถไปเหมาเหือไปก่อนบนไม่เหมาลดเทือเหมาเหือข้ามฟากไปพอดีขึ้นตกเรียงจันทแล้วก็เหมาลดไปโหลดขึ้นไปเข้าไปหาสำหนักอาจารย์ตามเนี่ยยุวศกพลวงไปทำคงเข้าใจกับเพื่นไปขายละบาเพื่อนเมื่อกลับมาถึงวัดลังสีมุ่นดารามก็เอาผ้าจำนวนยี่สิบสามพื้นนี่ไปถวายทุกอง์ทุกองค์ไปไายละบาเพื่อนเมื่อทุกอง ผมก็ขึ้นมาบ้านขึ้นมาถึงบ้านผมก็เลยมาแวะบ้านโบ ห, ห่มพันปกติบ้านผมวันพระผู้เท้าผู้แก่ต้องไปจําศีลเมื่อนั้นมาห้างก็เป็นวันพระผู้เท้าผู้แก่ไปจําศีลอยู่หันจำศีลนั้นผมก็เลยเป็นนอนเขาเจ้าโบขึ้นมาถึงเสียงคานนอนหันกันเลยมันกระทามแต่พอทราเสิร์นี่หนะักเป็นสั่งได้นะเนื้อเขื่อนว่าเสียงแท้วกเรา บ้าแมนแล้วหลงวะบ้านเนี้ยค่อยตัดสินใจว่าแมนแล้วได้ว่านแมนแท้ๆบอกว่าท่นแมนวะก็เลยมาสอนจังหวะให้ขระเจ้าเมื่อ น, นั้นนะเดินจมกรมเทศจังหวะกันอยู่หันละเมื่อ น, นั้นพอได้ตื่นลุงเซาณิจิว้าธรรมะบัานเนี่ยวะท่านก็เลยมาว่าพ่อแม่พี่น้องพวกเราเนี่ยพากันมาจำศิลปวัฒนเนี่ยมาสักโบกมากกันจุกจิกมีแต่ ก, ก, อกองคำมาก แล้วกับบุรีผู้สา ย, อยกองอยู่ค้างนันมีแต่กองที่บุรีมาจําสินมาเอาบุญ น, นังซีแม่บุญเส้นคนเดียวนึงกับวัไดไอ้ดอกวัดศรีผมวานะเชียรทึบทับขึ้นมารถขับคนโอ้วาสันมาดูทูกดูมิ้นดูแขนนางซีขาเจ้าหักสร้างเา้าแต่ผู้หักกันยังยังมีอยู่เนี่ยประวัติอันนี้เรื่องความจริงนี่แม้หักไปบอกกงกงนี่ปุู๊มันเครียดเตะเได้ครับ เรื่องสู้บุรีเนี่ยเป็นเหตุแทะแคลมาเนี่เป็นเหตุห เ, ป เ, หตเป็นทุกข์เป็นไัยแทะผมก็เลยเด็ดขาดก็เลยพยายามบัง น, นี้กี่หาวิธีตั้งสำนักแต่เลยเจจิบเวาวเรื่องตั้งสำนักเนี่เพราะว่าขันทัดจีวเวาวเรื่องตั้งสำนักนี่มานกินนานเลยสิบวเวลเมื่อนี่พยายามอยากพูดธรรมะนี่แหละครับ พยายามสอนธรรมะอยู่ตั้งสำนักเล็กน้อยคุณสอนอยู่เป็นเวลาสองปีกับแปดเดือนกับไม่ออกสอนอยูนสนามไปเป็นโยมสอนเว้าวธรรมะบ้านนั้นบ้านนี้แล้วสำนักเจ้าของก็เปิดแล้วแล้วบบได้เว้าวได้วิธีการเปิดสำนักเนี่ยเพราะมันจีน๋เหาคันท้าเวาไปละเปิดสำนักแล้วก็สอนอยูนเป็นเวลาสองปีแปดเดือน มีคนเข้าใจธรรมะนําผมนั่งคือพี่อ้ายเคยผมคนนึงพี่เอื้อยผมคนนึงแล้วก็หมู่เพื่อนก็มีประมาณจากักสี่ห้าคนเข้าใจธรรมะยื่อมากับมาวากับลูกเลยบ้านเนี้ยว่าการประกาศธรรมะนี่เป็นโยมนี่มันบกวก่วงผวงแล้ ว, ลวได้ไปแต่เพียงแค่มอมอมคันทากู บ, บวตแล้วคือจะได้ไปประกาศธรรมะ นี่คือที่สนุกแท้ๆว่าสันหลักพุทธศาสนานี่คือที่จะเลื่อขึ้นคนทุกคนต้องการความสุขในหลักพุทธศาสนา น, นี่แม้มดทั้งโลกว่าสันผมคิดจยงนี่โลกเนี่ยจะเป็นโลกใดก็ตามต่างต้องการธรรมะต้องการคําสอนของพระเจ้าแท้ๆว่าสันก็เลยมาขอพวกไม่ออกนี่เนี่ยขอส่องเธอสามเธ อ, อระเบ้อปากให้ดอกกระบวาบ่าบอให้ดอกกระบว่า ก็เลยเรียกลูกมาลูกผมมีสองคนมาถามลูกก็เลยตอบว่ายกขันยาบวกกระบวนบวพอสันขนจาว่าเจ้าของก็ะูมใจรถบัวเดียวพอที่ลูกให้อภัยมานละพวกไม่ออกกันเลยว่าก็เอาใจใจแล้วสันขันว่าสันนก บ, บาลนี้ก็เลยตกลงตัดสินใจว่าชีบวชออกมาประกาศธรรมะเราก็เลยบอกว่าขันจิตไปแท้ๆกลับไ ป, ไปไปละครพนมสก้อนว่าสันละ ว, ว่าพูกไม่ออกไม่ว่า ไปกับไปวัดไปกับมาไปละครพ น, นมเนี่ยไปแล้วก็งอขึ้นมาทอดอุดรไปหองละครพ น, นมบุนกรณ์นะครับผมว่าเนี่ยงอขึนมาทางอุดรเนี่ยมากึมาซื้อของอุดรนั้มานอนคอนแก่นนี้แบบเนี่ยมันอนคอนแก่นนะครับนอนคอนแก่นนี่คือไม่สองคืนนี่แหละครับเราเบียกเหมือกเถอะพาเราเล่นอยู่นี่แหละ พาเราย่างไปย่างมาขึ้นรถคันนั้นคันนี้พาเราเที่ยวไปเมืองคนแก่นเนี่ยให้เรารู้จักก็เลยไปหอดเสี่ยงขานกลับคืนบ้านไปหองเสียงคานเนี่ยก็บอกให้เราเจ้าไปบ้านไปไปบอกพี่บอกน้องไปพ้อจีนอนบ้านเสียงขานที่ไหนวะท่า น, นเราก็กลับคืนไปบอกพี่บอกน้องเรา อย่างพ่อกันนอนเสียงขามหรือว่าไปนอนบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยก็เลยขอนอนวัดนําเพิ่นหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเซียงขามนี่แหละนอนฮั่นนอนตื่นลูกเศร้ามาเนียเจ้าของจีบวดอยู่แล้วบวชให้ผมสะเทิดครับมาสินอนตื่นมาก็ถามบวชอะไรบวชว่ามีอาจารย์สวดมีอาจารย์สวดผู้เดียวอาจารย์ซุนเนี่ยขันนั่นงกับจีบวดก็ไปมนต์เอาเพิ่อนอาจารย์ซุนมาติ่วกัน ก็เลยไปมนต์เอาเพ้อนอาจารย์ซุนนี่มาเป็นพระอาจารย์สวดให้อา <c oughs> <c oughs> จารย์ซนนี่ก็เลยมาพระนั่งหัททบาศผมนั้นบวามากครับมีเพียงสี่ลูกอาจารย์ซุนผู้เดียวสวดพอดีบวดเสร็จแล้วได้สี่มือวัดผลใจอยากเปิดสำนักวิปัสนาอีกแต่แักเนี่ยเพ้นหลวงพ่อก็เลยให้ไปสอน ไปสอนอยู่กับโบนนานแล้วก็มีผ้าไปจากจังหวัดอุดอรนี้ไปสอนวิปัสนาให้บ้านหนาน้ํามันน้องสาวเพื่อนนี่แหละเป็นโตแข่งเพิ่งก็เลยเอื้นผมมาถามว่าหลวงพ่อท่านคนเข้าวิปัสนาเป็นตัวแข่งในหลวงพอ่อเขาจักบอกโอ้ยก็งหันจักแลครับวิธีเข้าตัวแข่งมาสัญญาม่ยัางผมเพชร ก, กระเป็นครับว่ะก็เลยบอกกังสี คันท่านไปเถอะไปแก้เถอะอะไรกันไปก็ได้แต่ผมบุู้้จากทางคันหลวงพ่อพาไปผมไปได้ว่าเพิ่งก็เลยไปไปทําวิธีเปิดอีกซึมล่ะอันเราสำนักวิปัสสนาแล้วมีตั้องไปเปิดบุดเดียวกันมีแต่เปิดพุ่งเปิดที่อยู่กระทังส ม, มือเดียวนี่เปิดวิปัสสนาเนี่ก็ะแดจักโควมเราเพิ่งหาวิธีสวดสยันโตเปิดวิปัสสนานี่ก็ได้ก็เลยเอาน้องสาเพิ่นมาเข้า เขาผมก็เอาเพื่อนไปนั่งใกล้ผมฮั้นผู้น้องสาวผมก็ น, นั่งต่อหน้าหัน้นผมก็คอยเบื้องลมหายใจมันน้อยเขา้าน้อยเข้าลมหายใจธรรมดาคนที่เป็นตัวแข็งเนี่ยต้องสะกดนะถ้าใครต้องการเรียนเนี่ยผมได้ไปเวาอยู่บ้านหนองบัวต้องการเรียนเรื่องที่เข้าตัแข็งเนี่ยไม่ให้เกินสามสิบวันผมจะสอนให้ได้เพราะผมตานานผมได้บอกลองค์สิถาาพ่อหัมมาได้เพราะทรงสุนว่าจะเอาลูกมาเข้าว่าสันเอามา ไม่ให้เกินสามสบันจะสอนให้จริงจริงวะผมทาอย่างซีละมีวอลคามแต่ละครพอดีมันหันใจเรียวเขาน้นยเข้าเนี่ยเข้ามาจิกกั้นนะมาจิกเข้าตกแขนผมกันเลยบอกหลวงพ่อในที่เข้าตกแขนนะั้นเรียกแม่วะเพิ่งก็เอินเอินน้องสาวบเนี่มันก็นตื้นขึ้นมาบันเนี่ยก็เลยหายไปหายไปแล้วกันเอา้าทำอีกตื่นแลกันทำไปทาไปมันก็นัน่งกั บิงลมหายใจมันกันน้อยเขานะครับมันก็จะเป็นอีกตื้มตรงกันเลยบอกคนนี่คิดเป็นตึ้มอะไรไหมครับกระดูกคอวะตรนก็เอื้อนอีกตึ้มเรียกคือก็เลยว่าเป็นผลที่สุดคนเป็นตัวแข็งนั่นก็นเลยหา ย, ยดีกโหลดให้เอิ้อนโลดคันพอดีเอื้นแล้วหายเลยคนโบรูสึกตัววิธีเข้าตัวแข็งเนี่ยผมคำนวณว่าถ้าเขาถึงตัวแข็งเขาถูกมือทุกมือสามปีแล้วต้องเสียสติรถแหน่บัดเดียว ผมได้ทดลองมาแล้วเรื่องเข้าตัวแข่งเป็นอย่งซีองออก็มากันเลยกลับพืนมาแล้วบัดนี้กลับพืนมาสู้เมืองเสียงคานตามเดิมมาจําพรรษานําพื้นหลวงพอ่อเจ้าคณะเปิดเสียงคานในสองพรรษาจำพรรษาอยู่ฮั่นกันเลยบัด น, นี้ก็มาว่าวธรรมะเว้าวธรรมะแล้วก็มาเว้าวธรรมะบัดบุ่หมนี่แหละมาเว้าวธรรมะบัดบุ่หมนี่ เล็กๆ น, น้อยๆพันศาที่สอนมากนเกลยมาจําพรรศารอยู่บ้านตักแดดกลับขึ้นไปเว้าธรรมะบ้านบูโ hom บัดนี้พอดีว้าธรรมะความจริงนี่เจ้าคณะตําบลบ้านบูโ hom เนี่ยแต่พออยู่บ้านผาแด น, น, น, นพนักบุพอใจแทบแทบเลยพ น, นักเขียดเขียดไล่ผมวอธรรมะความจริงเนี่ยเสาอย่างพออจะสู้ว้าจังสัน มันจีขาดข่มเริ่มใส่ของขนวาสันเพื่นวานว่าว่ามันังซี่มันเมดศรัทธาค่มเสื้อมันเป็นการทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าวาสันเพื่นห้ามเนี่ยเพื่อนผู้ใหญ่เพื่อนมีอํานาจโยมที่หู้จากธรรมะนาผมหั่นประมาณจากสิบกวัวคนครับไปฟังนั้นขาเจ้าก็เลยเมิดศรัทธาเมิดศรัทธาจากหลวงพอ่อได้บุไม่เมดศรัทธาจากผมครับเมิดศรัทธากับหลวงพ่อที่เว้าอย่างสั้นเพื่อนเป็นเจ้าคณะตาบลเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่มาห้ามผม ข้าเจ้ากำลังจุใจการเมาแต่ผมเทศพวเป็นดอกจิเทศปเป็นตายยังของอ่าบ้ได้เห็นหนังสือไทยที่ว่าโตทำกับตวนเหล่านี้เทศผมเทศผมเขียนได้อ่านได้ต่อมาข้าเจ้าก็เลยมาเทศบุญเทศบุญมหาชาติเนี่ยเพิ่นเลยเป็นนง่งอยู่กอง ก, กบหมกม่วงเป็นนิมนต์เพิ่นมาไมคคอนตกมาเทะมนั น, นต๊ะใส่หัวเพิ่นนี่เนาะเลยแตกหัวเพิ่น แถวบ้านหลวงผมเนี่ยหาว่าผมมีฤทธิ์มีเดชและบะเนี่ยว่าโอ้ยหลวงพ่อนี่มีฤทธิ์มีเดชโอ้มีบุญหลายว่ันบังรู้ย่าพอวันเจ้าคณะตำบลนด่าเพิ่นเมื่อเพิ่นวัาธรรมะให้ใแถวฝั่งฮั่นนะคนตั้งหลายคนด่าเพิ่นปนามเพิ่นบ้าประนั้นละบ่ตกใส่หัวเพิ่นมู่อยู่ฮันตั้งหลายคนอย่งางโบตกใส่หัวเพิ่นวัน มันตกมาเตะเหงมันก็แตกเสียหัวแต๊กคนธรรมดาเขาเนี่เป็นการเข้าใจผิดไปทั้งนั้นครับผมที่มีนิดมีเดชตายมีอย่างไม่มันค้างอยู่เหงคุณนะ่ะเมื่อบุญมีอันเกา ะ, ม, ม, ากะกา ม, ามันก็ตกลงมาทึกผู้ใดมันก็แตกเสียหัวจีนีเรื่องไม่อย่างไรเนี่ยมันเป็นอยางนั้นความคิดของคนการเข้าใจผิดนี่เป็นอย่างนั้นต่อมาก็เลยมามาอยู่บ้านอ๋อบ้านเนี่ยจีนเราลัดพิโรธ มาอยู่บ้านหน่อเนี่ยเพื่อนอาจารย์มหาบทองนี่แหละออกจากทั้งไปอยู่ทั้งผัก ป, ปูมาบินทบาตส่วนกันอยู่บ้านหาน่อส่วนกันไต่กันมาเพื่อนกระโจนเ้จักผมผมก็บโจน้าจับเพื่อนมือหนึ่งเพื่อนออกมาเมือ่อใดกระโจนเข้จักนะผมโบโจโ บ, บจำเลยเนี่ยออกมาก็เลยเพื่อนมาลมอย่างพอเพชิอยู่ผมก็เลยเป็นลมนําเพื่อนลมนําเพิ่อนเดียวเนี่ยผมก็เลยทึกข้าเจ้านิมนต์ไปบ้านนาโคกประเทศบ้านนาโคก พอดีไปเทปันนาโคกกลับขึ้นมาพอกำลังลมเพิ่นอีกตืมมาลมเพิ่นเพิ่นว่นาผมถามเพิ่นท่านอาจารย์เคยศึกษาปริยัติบอว่าสันเพิ่นนี่กับบบอกความจริงอีกตึ้มละ่ะปิดปิดไว้ได้เรียนมาแด่เล็กเล็กน้อยนว่าสันจบหลักสูตรบอครับเพิ่นกับบบอกได้เรียนมาแด่เล็กๆ็น้อยนว่าสันตรงกันมีจุดประสงค์อย่างไดว่าสันที่ประหาปฏิบัติธรรม เฮ็ดนํากันเลีนๆอยู่นี่ก็ได้ครับปฏิบัติอยู่นําผมนี่ก็ได้ว่าท่นเฮ็ดเล่นๆกันบุมไม่เฮ็ดเอาจริงเอาจังเนาะผมก็เว้าพอปานนี่ละเพื่อนเลยตอกเบว่าผมบ่๋มเคยอยู่สํานักน้อยจักเถื่อนว่าท่นเพื่อนมาขันท้ายยู่สํานักน้อยในบุ๋มเกินสามมือยู่งหักสามมือก็ดีครับว่าปฏิบัติเล่นอยู่นี่แล้วว่าท่นผมก็เลยบอกจังหวะให้เพื่อนเพื่อนก็เลยให้จังหวะผมก็เลยบอกว่าบุต้องไปบินทบาดเนาะครับผมต้องไปบินธบาดมาเลี้ยง ภายในสามมือเนี่ยผมคิดในใจผมคิดถึงสภาพผมไปปฏิบัติธรรมะว่ามันถ้าตั้งใจจริงๆแล้วมันไม่นานว่ะสิถ้าเป็นคนพูดจริงทําจริงผมคิดย้อนถึงอดีตของผมวันนี้พอดีตอนเช้ามาผมที่ไปบินธบัตผมได้ไปพิคิดยังไงอีกเติมหุ่นกระปั บ, บไปหาเพิินอีกเติมสักคนวันิี่ไปหาเพิินจะไปกลับไปถามเพลินเป็นยังไงครับว่าสัน ันก็เลยวางหุ่จักรรูปน้ำบอลสิ่ผมถามหุ่จักรออสันเพริรนวานเป็นยังไงรูปน้ำวาลน่เานเป็นตาหัวอย่างวาบนนี้ก็ะด้นคล้ายๆคือคนบ้าเนานะคนบูหู่จักกวัวองหู่จักเอาได้นี่ก็ะเด้เพิรนกรว็วาผมก็เห็นรูปผมไปนั่งเจ้าคออยู่พุน่นว่าทนผมผ้าสีกักนี่แหละท่นว่าเห็นหัวออสันเพินวานผมว่ามีหัวว่า่น เห็นแต่ขุมรูปตัวของผมนนี่ยผมพาสีกักเพื่อนนี่แล้วรับอยู่พุ่นมาทันนางอยู่พุ่นเอ้าเน่งบังดูครับว่าเหตจังหวะบังดูอ่ะทันเพื่อนก็เลยเหตจังหวะขึ้นฮันแล้วรูปน้ำครับเพื่อนก็เลยพููจักรลงของเพื่อนเรียนเนี่ยเพื่อนรู้จักไหวเลยบ่กเพื่อนมีเพื่อนมีแผนที่ให้มาเธอไปเพื่อนก็ขับพู้จักรรูปน้ำกับฮันรถไปเดียวพอได้รู้จักรรูปน้ำแล้วผมก็เลยเอาเพื่อนเท่านั้นเดี๋ยวผก็ไปบินธบาท ไปบินทบ้านแล้วก็คืนมามาสันจังหันสันจังหันล้วผมก็กลับไปถามอีกตืมยู่นํากันนานเติบพยายามเวบวกับอยู่หันเพื่นก็เข้าใจแต่รูปน้าครับเข้าใจแต่ เ, เ, ตเพียงรูปน้าเลยซ้อนก็ยะเพียงแค่รูปน้าเท่านั้นละ่ะเอากันอยู่พอปานนั้นก็เลยนีมาผมที่มาบ้านได้นี้ครับที่มาบ้านผมก็เลยมามาก็เลยว่ามีเงิน ลูกไทยบ้านปักมากตายเขาเจ้าก็เลยไปนิมนต์ไปนิมนต์ก็เลยไปสวดมนต์สวดมนต์นากันมันียก็ได้เงินมาได้เงินมาพก็ตามมามาฮอดบ้านโมโหมพี่มาปฏิบัติธรรมะอยู่พี่แล้วเพื่นเลยไม่เข้าใจธรรมะอยู่พี่ได้บัดเนียนมาเข้าใจธรรมะอยู่พี่เพป็นนัวเอาละบัดเนียว่าสันหลวงพ่อว่าสันมันว่าเสือมาก็สู้เสือพี่มาก็สู้พี่บัดเหนียววาสัน ผมก็นึกได้บัดเดียวว่าเราได้ระเบิดลูกหนึ่งแล้วบัดเนียวจีโยนระเบิดให้มันแตกพังไปแล้วเด้อบัดเนียวแลผมคิดเรื่องซีอยู่นี่ผมเล่าประวัติอันนี้มาเล่าประวัติเรื่องนี้เป็นซ้าวๆมาสกักก่อนมันนี่จะย้อนไปหาถึงเรื่องเรื่องอาจารย์บัดเนี่ยจะย้อนกลับหลังมันเนี่มาเวาเรื่องประวัติเรื่องอาจารย์มหาเพียงแค่นี้ไวส้สักก่อนเมื่อผมอยู้นาเจ้าคณะอําเภอเสียงคานเนี่ยปรากฏพระผู้ใหญ่เปรียดผมที่สุด ผมว่าธรรมะเป็นตัวการคือคือเจ้าคณะตำบลกับนันผู้ใหญ่บ้านสิบเอกสมศักดิ์มูนีน่ะบ่พอใจบ่พอใจเขาก็ อ, อหาวิธีฟองรองล้วก็อีกพระหลายท่านอีกตืม ชื่อเป็นรองเจ้าคณะอำเภอก็าปพอใจอีกสะด้วยบัดเนี่ยไอาจารย์กันหลายคนอาจารย์พูดสวดผมนี่เขาปพอใจอีกซึ่งเทนึงผมว่ไปว่ามากันอาจารย์ว่กับสาธุครูบาอาจารย์โมเป็นอย่างเพิ่งก็เลยมาติดต่อท่านอาจารย์มหาสิจันที่หล่ะขึ้นไปเป็นอาจารย์เดิมอาจารย์ผู้เทศให้ฝังเตอรขั้นแรกแต่ผมเลยบเว้าวเรื่องการฝังเทศเมื่อเนี่ยเพราะว่าผมเล่าเมื่อเ้านี่มันยาวพอผมตัดเอาตอสั้นบัดเนี่ยขึ้นไปผมก็เลยไปหาเพิน ไปหาเพื่อนเพื่อก็กถามเป็นยังไงปฏิบัติธรรมเป็นยังไงสันเป็นยังงซีมันบวแมนดอกวมาสันหลวงพ่อมาสันแมนแมนแล้วครับมันบวมแมนคือเพื่อนวาทแท้ครับผมบวมแมนเพิ่นได้ขับวะ่ผบวผะผมก็เลยตอบไปอย่งงี้บวมแมนข่มเพิ่นครับบวมแมนแท้ผมมันผิดเพื่อนแท้มันผิดเจ้าวอลังสันแต่เพื่อนวานะผิดเพื่อนแท้ครับว่ะผมรับรองว่าเสื้อแน่ผมผิดเพื่อนแท้ว่ะผมก็เลยตอบไปอยงงี้แล้ว โอยเมาอยงสันต้องไปเรียนประิยัติสกรว่าสันเพลินวานจะไปเรียนไหมเห้นยังประิยัติดลครับผมเรียนมาพอแล้วครับว่าการไปเรียนการไปเรียนในสื่อเลยเมาอย่งสันมันพิดว่าสันเพิ่นกระตอบอยู่ผมนีพีดครับผมรับรองว่าผมผิดเพิ่นอาจารย์ไดแท้ก็ย้ํผมผิดเพิ่นนะเดี๋ยวนี้นี่ครับว่าผมกระตอบมีหลักสําคัญอยู่จุดเดียวผมว่าเรื่องอาการเกิดดับที่ผมเคยพูดมาให้ฟังกันมาบ่อยๆนะสันพ้นที่สุดอาจารย์กระลิกเกลียด แต่ผมโเกียดเพลินเพลินโบไปหาจากเถือโยมที่โฮธรรมะไปนําผมนั้นข้าเจ้ากับมดศรัทธาเมื่อ น, นั้นเมื่อจากท่านอาจารย์เจนกระทังเมื่อนี้โบได้ไปหาเพลินจกเถือผมก็ได้นม่ได้ไปหาเพลินเตตีโบว์เลาเรื่องประวัติเพลินลองไปบ้านเพลินเพลินกลับเข้าไปกลับไปําลูกสายผมลูกสายผมเอาเงินนําเพลินลูกสายผมมันเครียด เพิ่นดาเพิ่นประนามผมมั น, นเครียดธรรมดาเด็กน้อยธรรมดาปกติท่านอาจารย์มหาจานทร์นี่ไปมานําผมโบกเก็ตเงินจักเถื่อแต่สมัยผมเป็นโยมอยู่แคลนมานําลูกชายผมเขาเที่ยวอยู่เขาก็โบกเก็ตเงินจักเถื่อเมื่อนั้นเสพสเพาะไปนําลูกชายผมอีกตืมมันตักเอาเงินแปดสิบาทก็เลยไปเว้าอยู่ที่บ้านหวังนั่นอีกตืมเขาเลยเอิญเอิญซื้อลูกชายผมนี่ พวกไถ่เหือนะเพราะว่าลูกผมมันมันเป็นเจ้าของเหือให้ไว้ได้ไปมันเป็นคนเก็บเงินเหอเอิญเพื่อนบุ้งเาจับว่าเป็นเหือลูกผมเพื่อนไปนั่นกันแน่เมันเอินเทียนว่าสันเพื่นเดินเข้าหูเพื่อนโลดอ้าวบักเทียนนี่บ่บินลูกอย่างพราเทียนนั่นบ่สันเพื่อนปนามผมไปได้ครับไปนําเหือเพื่อนกับปนามไปเพื่อนกันเลยคือยังไงหู้นึกอ่ คงจะเป็นลูกหลวงพ่อเทียนเสร็จแล้วบัดนี้ว่านั้นต้องก็เลยเอิ้นมันไปปลอกบอกให้หลวงพี่เออบอกให้หลวงพ่อหลวงพ่อมหาอาจารย์เดินเนื้อวันนั้นสั่งสั่งลูกผมเหลวงพ่อสิได้ไหมมันซะเพิ่นตลกเป็นไอ้นี่ก็ได้หลวงพ่อสิได้วันนั้นหลวงพ่อพ่อโตนั่นน้นพ่อโตสิไดครับว่านั้นมันมันตลกเพิ่นอันนี้ก็ได้เอา หลวงพ่อพ่อโตโนัน น, นะหลวงพ่อเทียนนะันนะหลวงพ่อเทียนนี่กับเป็นพี่ไอ้อาจารย์นี่แหละวะท่านหลวงพ่อเทียนสิได้ครับวะท่านมันตลกอยู่ฮะเอาพ่อโตนันนะพ่อโตสิได้ครับผมบ่มีพ่อวะท่านมันว่าไปเอาอันหลวงพ่อเทียนนันนะเป็นพี่ไอ้าของมห า, าสิจันทร์นี่วะท่านให้เพิ่นกลับมาเรียนปรยนิยัติเดือมันก่อว่าจังหวะขับคันผมบ่ลืมผมกะทีบอกวะท่านคันผ ม, ผมลืมแล้วก็แล้วไปวะท่านมันนึกเลยบอกไปยังที เนเป็นนาซีเรื่องผลการปฏิบัติการกระรมของผมบัด น, นี้ที่กลับมาเราเรื่องอาจารย์มหาดูต่อมาอีกตื่นบันเนียเรื่องอาจารย์มหาศอาจารย์เดิมนะเราให้ฟังแล้วเนี่ยเรื่องที่อาจารย์บบไว้ใจทั้งซู ม, มือเดียวนี้เนี่ยเพราะว่าผมมาลเป็นคนต่างมุงผมเชื่อแน่ในการปฏิบัติที่ผมได้ประสบกับอาการสิ่งเหล่านี้มาผมอยากเอาธรรมะสิ่งเหล่านี้ออกมาเผยแผ่จึงได้เราเป็นประวัติให้ฟัง เมื่อเพื่อนอาจารย์มหามายู่งแนี้แหละพอดีปฏิบัติธรรมรู้จักปละมัดเล็กๆเนยๆแล้วเพื่อนก็วายทงสันดะปัโธแบบนี้ก็ต้องเอาปเทศในบ้านแบบเนี้ยบ่นึ่งเอาปเทศเั่นนั้นบ่นึงเอาปเทศอนี่ในเทศกันอยู่เรื่อยๆบัดเดียวผมมีพี่น้องอยู่ในบ้านบุหง์ฉะนั้นเพื่อนอาจารย์มหาเนี่เลยเป็นควยตู้บ่มีการได้ปฏิบัติธรรมะอย่างเข้มแข็งปฏิบัติธรรมะแล้วก็คงขหัวจิต เรงเลงเข้ามาจำเป็นต้องอยากเอาไปเทศผมกับสะัสอยากให้มีผู้พื้นฝูซอยเพราะผมบ่มีปริยัตบ่มีม่ยังผมบ่เคยได้เหียนหนังสือมีแต่ได้ประสบกับประกาศต่างๆมาเท่านั้นเทศท่านเทศนี้แผ่นดินไหวบ้านบุหมบ่มีแผ่นดินไหวคือต้นไม้ไหวนี่ได็คนเกิดคึกคักขึ้น เจ้านายเขาก็าสั่งเพื่อนได้สั่งผมได้ไปกวดไปสุทธิอย่างที่เพื่นเราให้มูไม่ออกฟังนั่นแหละร้อยใครูบาอาจารย์ฟังนั่นเป็นอย่างนั้นมาต่อมาต่อมาก็ามีมู่คุณคำพันนี่เขาไปอยู่นํามาอ ม, มาปฏิบัตินํามาอยู่บ้านาอ้อนนี่เขาหลายคนปฏิบัติมาผมสแสวงหาการปฏิบการอันพุทธสิกิมักธรรมะปฏิบัติธรรมะนี่ผมมาบวชนี่ผมมีจุดประสงค์อยากมาพุทธธรรมะ อยากมาฟื้นฟูในหลักการการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ้าหากผมว่ามีจุดประสงค์อย่างนั้นผมม า, าบวชนึกว่าทุกคนจะเป็นพลั่งอังกฤษก่อสร้างเป็นเจ็กเป็นแก่วก่ตามจะบวช ก, ก่อสร้าง บ, าบวช ก, ก็ตามปฏิบัติธรรมะได้แน่ปะเดียวผมรับรองเสือแน่ว่าพระพุทธเจ้าบโกหกผิยทั้งหมด เป็นผู้หยิงผู้สายปฏิบัติได้มักผลนิพพานเนี่ยเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ถ้าตายแล้วจึงเอานั้นบอแม่นผิดไปตัวนี้การปฏิบัติธรรมะเนี่ยถ้าปฏิบัติติดต่อกันบอให้ข่าดสายชักเทือนี่สามเดือนนี่ผมรับรองได้ยางเต็มไม่เต็มหน่วยอ้าวหกสิบเปอร์เซ็นจิตใจคนต้องเปลี่ยนลดยางซาเอ อ, อย่างยางไวนี่ครับถ้ายางซาที่สุดนี่แหละ ตำลาเขาบอกว่าเจ็ดปีว่าันแต่ผมย้ำจะขคจะยับเขาอีกตืมถ้าอย่างซาที่สุดเนี่ยปฏิบัติติดต่อกันไม่ให้ขาดสายจากเือเนี่ยผมว่าคงจะไม่เกินสามปีจะได้ประสบเอาความสุขอย่างแท้จริงในหลักพุทธศาสนาแม้จะมีเงินลอยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเอาไปซื้อเอาความสุขอันนี้ก็ได้ครับ ควสุกประเภทนี้บ่มีตลาดขายขายให้กันบ่็นและเอาให้กันกับบ่ได้มีแต่เพียงการแนะนำเท่านั้นถ้าห้าคนแนะนำนั้นให้ไปสู้จุดอาจจะไปจุดได้วันนี้จะกลับมาเล่าเรื่องเพื่อนประวัติอาจารย์มหาอีกเพิมทีหนึ่งที่ได้เล่ามาแล้วเนี่ยเพื่อนก็ะเลยถามโผมบันเนีย ปฏิบัติธรรมในจุดสําคัญมันคืออันไหนวันเพารนวานะสมัยอยู่บ้านาอ้อนะบัดเนี่ยก็ผมเป็นคนงโง่ครับบ่ได้เรียนหนังสือในขจําเป็นก็ต้องบอกซือซ่อๆมีพระอาจารย์มหากับทิสศนี่แล่ ว, ว่าเป็นพระนมหลวงปู่กาหลวงปู่วัดซี่คนแล้วกับผมนี่อยู่ํากรนไกรถามามันมันไม่จุดสําคัญจังไร โย้ว่ะอันเขาว่ากันพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวนี่ยาวค่าสองข้อมือนี้บ้เหี่ยวเติมจากเถื่อนนี่โบ้แมดงความจริงเลยครับว่าอันนี้ได้เป็นตัวสําคัญมันผมคนเนี่ยมันต้องมีการหยาวเติมได้ครับว่าเพื่อนเข้าใจรถวอลทอนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวเนี่ยวอลทอนี้เนี่ยมันเป็นอนันตุุนได้ครับว่าสิวายหเพื่นกระธรรมดาคนถามกันแนวคนบมู้จักตำล้าผมเนี่ย บอกซื้อๆนี่แหละให้ว่าจะไปมันอ น, นันต์พุทธังหากได้ครับมันขาดขาดเอาจากกาันซื้อๆนี่เพื่นเลยเข้าใจเข้าใจเพื่อนเลยจับเอาเรื่องอันนี้แหละผมก็ได้ยินพเพื่อนเล่าให้ฟังจับไปถามเจ้าคณะอำเภอเสียงขามเนี่ยมันสามารถที่เป็นอังสันได้แทะบอกปฏิบัติธรรมานี่ว่าสันเพื่อนกันยังยังบวไว้ใจอยู่บสถ่ยังกระโบกจับเพื่นแลหละเลือจากนั้นเพื่อนยังจับเรื่องอันนี้มาถาม เราคณะจังวันเลยที่ตื่มมันเป็น น, น้ำตาลแท้ๆบ่ากันเพิ่นเพิ่นหากเอาเรื่องเพิ่นไปวิพาวิจาร์อันนี้เราประวัติของเพิ่นแห่ที่ซื้ออันเนี่ยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้นผมจึงได้เคยพูดว่าเรื่องโลภโกรธหลงเนี่ยมันเนี่ยเม้นซิงสําคัญถ้าหากผู้ใดว่าโลภโกรธหลงเป็นสิ่งสําคัญนั้นทูกอยู่แต่มันทุกผิวนอกๆวัตเม้นมันทุกผิวใน ผมเลยเข้าใจเรื่องนี้แหละการปฏิบัติธรรมะผมไปอ่านหนังสือตำลาหลักสูตรนักธรรมสันโถเนี่ยว่าพระโสดาบันจะมาเกิดในมนุษย์อีกชาติหนึ่งคือเอกพิชิรผมเลยนึกได้ว่าโอ้พระโสดาบันนี่ก็จะมาทำงานบ่นี้เด้ตืมเึ้นเพราะงานมันโบแล้วว่าท่น พระโสดาบันจะมาเกิดในมนุษย์อีกเจ็ดอีกหกชาติโอ้พระโสดาบันนี่เขาจะได้มาทํางานอันนี้อีกตื้มได้หกเทือยังจะเสร็จงานมาสั้นผมคิดผู้เดียวผมบันเนพระโสดาบันมาสั้นจะมาเกิดในมนุษย์อีกเจ็ดชาติโอ้พระโสดาบันจะได้มาเกิดในมนุษย์อีกเจ็ดชาตินี่กั จะมาทํางานอันนี้อีกเพิเ่มเจ็ดเธอได้งานนี้จึงจะจักสําเร็จไปได้ผมนึกอันนี้ขึ้นมาฉะนั้นเรื่องกลับเรื่องกันเรื่องวิพากษวิจารณ์มูลนี้ผมปรากฏว่าหมดสิ่งที่เว่าเรื่องการทําบุญให้ฐานมันมันเป็นเงื่อนรอซื่ อ, อเรื่องการทําบุญให้ฐานรักษาสิลงย่างใดๆก็ตามเป็นเงื่อนรอเพราะให้คนติดเหล่าสก่อน เมื่อติดเราแล้วเราจะยั่วเขาไดหรือว่าบอกเขาไดทำไดเฮ็ดไดอย่างซีเขาอยางจัเห็ดนํเาเราใดปัญหามันมีเพียงแค่เดียวว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวยาวค่าสองข้อมือและไม่ยาวอีกต่อไปและไม่สั้นอีกต่อไปเท่าเดิมเสมอตัวนี่ ปัญหามันจุดนี้แหละขอให้เข้าใจไว้เรื่องอาการเกิดดับบอสไซเมนว่าคิดนี้มันเกิดนี้มันดับนี้หูได้ยินมันเกิดมันตรงเข้าไปถึงจิตใจมันดับอ น, นันเขาสอนกันอยู่ก่อนแล้วเรื่องนี้เขาสอนกันอยู่ก่อนบอสไม่จุดพระพุทธเจ้าสี่จุดอาจารย์องค์อื่นสี่มาถ้าหากผู้ใดไปสักไปก้าเอาคําสอนอาการเกิดดับ ที่แท้จริงนั้นมาวาเป็นจุดนี้นั้นผมว่าภูนิกาซีเป้าหมายผิดและอีกต่อไปนี่หากพวกเราทุกคนมาฟังธรรมะไปไปตีเป็นเลขเป็นบัตรเป็นเบอร์นั้นผมว่าคงจะเป็นคนฆ่าผมอีกสะด้วยหรือฆ่าพระพุทธเจ้าไปอีกสะด้วยขันหากพระพุทธเจ้ายัางมีอยู่ พ่อผมบริจิตนาวาจีบอกเลขบอกบัตรบอกเบอร์ของใครทั้งมดผมมีความจงรักภักดีจะมาว้าธรรมะอันนี้ยังเดียวเท่านั้นมีจุดหมายปลายทางอยากให้คนเข้าใจธรรมะได้รับความสุขที่ว่าเราเป็นสาวพุทธเท่านั้นฉะนั้นที่ผมเคยได้เตือนเพื่อนเพื่อนมาอย่าบอกเธอเรื่องเลขเรื่องบัตรเรื่องเบอร์นี้ มันโบเมนคำจริงมันว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าผมก็เลยเตื่อนมากระทั่งผมเองผมก็บอกเคยเมาจักเพื่อเรื่องเลขเรื่องบัตรเรื่องเบอร์นี่แต่เมาเลียนไปซื้ อ, อคนมาโดยมากผมมายุ่คนแก่เนี่ยมาจับเอาคันผมว่าวอันนั้นอันนี้ไปจับเอาไปตีเป็นเลขเป็นบัตรเป็นเบอร์ไปอ่าหลายคนมากระทืบผู้นึงไปสนแสเนวหลายคนคิด คันทึ้ซึเพื่อหาว่าผมบอกเลขเถะเพื่อว่าที่ตายจิตหัวคนนี่จังหวะความจริงผมบุได้เจตนาทั้งแต่จากเขื่อตั้งแต่เกิดมาผมบุได้คิดเจตนาแม้ผมมาบวชนี่ผมมีเจตนาย่างเดียวจีมาเว้าธรรมะอันมีเท่านั้นทุก ใ, ใจฝังอยู่ในใจผมเนี่ยถามพระ อ, อาจารย์มาหาก็ได้ถามผู้ที่เคยอยู่งในผมนานๆปีมาก็ได้ ผมนึกอยู่แล้วว่าถ้าหากว้าวเรื่องพุทธศาสนาเรื่องคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเมืองไทยนี่เข้าใจธรรมะดีกันแล้วผมยังยักเรียนภาษาอังกฤ ษ, อ, กฤษอยู่เท่าทุกมือเดีนน๋ยวนี้ผมอยากไปว้ากับฝรั่งผมได้เว้าเรื่องนี้อยู่บ่เสาผมจะเป็นนุ่งกางเกงกดำดำนั่นแหละเสื้อดํา ำ, ำนั่นไปเว้ากับอเมริกากับฝรั่งเนี่ยให้พูดภาษาปฏิบัติธรรมะผมจี๊ดซี้เข้าไปจุดเดียวเท่านี้ไปทํางานกับอันนี้เท่านั้นอาจารย์ผมคิดอยู่นะ เพราะพวกนั้นเป็นนักปัญญาชนควมคิดมาผมเราคงจะเข้าใจเเมื่อฝรั่งเข้าใจแล้วผมยังชี้สึกอึดตื้นเธอนึงละเพจนั้นจะไปสอนเจ๊กว่าสันบันเนี่ยไปสอนคนจีนวาสันบันเนียจีบวัเป็นพระจีนเนื้อสันวาโบเสื้อถามมู่มู่ผมที่เคยไปยุ่นนะผมผมได้ตั้งสังเกตอย่างตยูโบเซาจากเธอเรื่องการบวกการศึกนี่ยังบวชสำคัญเธอได้ครับการบวกลการศึกนี่บวชสำคัญ เห็นว่าเจ้าของบวชมาสิว่าเจ้าของได้ปฏิบัติหลักพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้วนั้นถูกอยู่ถูกเพียงแค่สมมุติบวมันถูกเนื้อแท่ปัญหามันมีเพียงแค่นี้ครับเท่าที่ผมคิดมาอยู่เป็นเวลาหลายมือหลายวันหลายปีหลายเดือนที่มาอยุ่งร่วมกันเนี่ยเรื่องประสบกับอาการการปฏิบัติธรรมะนั้นเราให้ครูบาอาจารย์รือว่าไม่ออก พอออกหรือในฝั่งเมื่อนี้ก่ะนึกว่าพอสมควรต่อไปนี้ก็จะได้เล่าเรื่องอารมณ์การปฏิบัติธรรมะต่อไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะเบื้องแรกจําเป็นต้องเฮ็ุจังหวะเก็บมือเข้าเอามือออกเดินจมกรมให้รู้จักรูปนามเบื้องแรกรูปนามมันติดกันอยู่เสมอไปให้รู้จักรูปนามแล้วก็ต้องให้รู้จักรูปธรรมนามธรรม ลูบโลกหนามโลกเมื่อรู้จักรูปธรรมหนามธรรมรู้จักลูกโลกหนามโลกแล้วให้รู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตาเกิดดับเมื่อรู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตาเกิดดับแล้วให้รู้จักสมมุติสิ่งที่สมมุติขึ้นในโลกที่เราติดกันอยู่โดยวัตถุทุกวันนี้แหละสิ่งที่สมมุติทุกอย่างให้รู้จักให้ทั่วถึงเมื่อรู้จักสมมุติอย่างทั่วถึงแล้วนะก็ตสังให้รู้จัก หลักพุทธศาสนากับศาสนาศาสนาคือยธธคอย่างพุทธศาสนาคืออย่างและให้รู้จักบาปบุญเหล่านี่แหละเมื่อรู้จักจุดนี้แล้วเราต้องแนะกันให้เบิ่งคิดซี่เข้าไปหาคิดเลยบัดเดียวมันคิดท้ายกับสร้างคิดดีกับถามมันคิดเรื่อยๆมันกําลังคิดเมื่อรู้รูปน้ำไม่ไม่ น, นี่กําลังคิดข่มคิดอันนี้ฟุ้งขึ้นเลย ฮูนั่นฮูนี้คิดโหยุบโบถอยแม้มีความฮูสามารถจะทกเถียงคนนั้นคนนี้ได้นี่เป็นกรมลู่ของวิปัสสนาเป็นปัญญาของวิปัสสนาเกิดขึ้นกับใจิตใจของเราบ่แม่นตัวจริงตัวจริงในแท้นั้นเพียงแต่ว่าปัญญาของวิปัสนาน่ะลู่ลู่นามทุขังอนิจจังอนัตตาพิปตาหายใจคิดนึก เรานี้เป็นรูปเป็นนามเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นนาตาเป็นเกิดเป็นดับรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกรูสมมุตินะสิฉะนั้นทุกคนจึงเป็นธรรมะเมื่อด่ากันกดาธรรมะเมื่อด่ากันก็ต้องด่าพระพุทธเจ้าเมื่อด่ากันก็ต้องด่าพระสงฆ์ฉะนั้นผมจึงว่าโบยักด่าไส่ทั้งเมื่อทุกมือเดี๋ยวนี้ขันผมด่าสงกดาพระพุทธเจ้าโหลด ทุกคนนี่สามารถมีพืชหรือมีเสื้ออยู่ถ้าหากทำจริงๆแล้วสามารถเทจะปักศกเอาแฉะความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นเรียกว่าสัจจะสัจจะของพวกเรานี่ว่ากับสัจจะของพระพุทธเจ้านั้นต่างกันสัจจะของพวกเรานี่คันี่ไปบ้านปันโปงเมื่อเนี่คันบ่นไปย่านเสียสัต์ จำเป็นต้องไปอันนี้สัจจะของสมมุติสัจจะของพวกเราคันบรไปที่เสียศีลแล้วท่นสัจจะของไทยเฮาต้องเป็นทางน่านเมื่อนี้ยจีบไปบ้านหัวทุงขันโบรได้ไปบ้านหัวทงนี้ยจีเสียดสัตว์จีเสียศีลแล้วั่นเนี่ยสัจจะของพวกเราต้องเป็นทางท่านความจริงสัจจะพระพุทธเจ้าโบได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเราไม่บรรลุถึงมรรคผลนิพพานเมื่อใดเราจะไม่ท้อถอยต่อการกระทํา หรือต่อการปฏิบัติของเราถึงจะตายก็ตามสร้างมันพราะพระพเจ้ามีสัจจะยจังสีฉะนั้นสัจจะของพวกเขานี่กับสัจจะของพระพเจ้ามันจึงต่างกันผลการกระทําของพวกเราก็เช่นเดียวกันพระเนนและเมืขาวเมืออกพอออกี่อยู่ร่วมกันการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันผมก็สังเกตเบิ่งอยู่ บางคนก็เอาได้บางคนก็พอไปพอมาบางคนก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้าเพราะว่าเหตหลายเพราว์บอดายเมื่อยเป็นโรคอันนั้นเป็นโรคอันนี้เพราะว่าเป็นอย่างไรต่อไปนี้นะเมื่อเอาจิตดูจิตเข้าไปเนี่ยเราไปประสบออกกับปรมาณรายเนี่ยจิตใจเราจะสบายขึ้นมาถ้าหากเรามีอารมณ์อยู่นั้นให้จับอารมณ์นั้นไว้โลด คันเมื่อไปทิ่มอารมณ์นั้นทิสวิปลาฏประเดืมอันนี้บทหนึ่งวิปลาฏมีอยู่สองบทบ่อนจิตใจจิตเปียนจากความเป็นปุถุชนเข้าไปสู้เขตแดนให้จิตใจเปียก เ, เนี่ยนี่ก็มีวิปลาฏผมเข้าใจอย่างสิต่อไปเมื่ออาการเกิดดับของเราจะได้ไปประสบเอาที่ว่าผมว่าเมื่อตะกี้นี่ว่าพระพุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวไม่ยาวอีกนี่ก็ต้องมีวิปลาฏมีวิปลาฏอยู่สองอย่าง แต่ย่างน่ะนั่นแท้ตัวสุดท้ายย่างตัวเข้าไปเบิ้องแรกเนี่ยบนหนักวันไหนเรื่องวิปัสสนูนั้นเมื่อลู่ลุบน้ํานี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนูแะนั้นผมได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์พุกองค์ทุกองค์เคยได้ไปสู้สํานักหลายสํานักไปศึกษาตามอาจารย์ต่างๆเมื่อผมเข้าใจธรรมะอันนี้แล้วแล้วนะแต่ผมบวชมาแล้วนี่ได้บันเนี่ฟังดูเพราะหูทุกองค์ แมนทุกองค์บ่ผิดจากองแล้วแต่นิสัยอาจะสอนไปไผมีควอมลูอย่างใดต้องสอนไปอย่างนั้นไผถนัดไปย่างใดต้องสอนไปอย่างนั้นแต่ผมนั้นวิธีพุตโพผมก็ได้ทำมาวิธีอลหังผมก็ทำมาวิธีพองยุกผมก็ทำมาบัดมาทำวิธีตีงนิ้งนี่แหละผมก็เลยมาตัดคมเว้าของอาจารย์ออกเฮ็ดซื้อเพียงเอาควมลู่ศึก เมื่อลู่อันนี้เนี้ยมันลัดกลุ่มมัดว่าท่นผมเข้าแจอย่างสิจึงผมโบ้ได้นําเรื่องวิธีพุทโธมาสอนและบ้ได้นําเรื่องอัลหังมาสอนและบ้ได้นําเรื่องของยุคมาสอนผมอยากแนะนำแต่ย่างเดียวทอนนี้เพราะมันมันลัดกลุ่มที่เดียวมันสั้นที่สุดย่างกระทันรัดว่าท่นพวกคนต้องประสบเอาได้จริงๆริงว่าท่นจะเปรียบบันเนี่ยเหมือนดั้งดําดินไปเนี่ย โคขึ้นกรุงเทพรถ บ, บาทเดียวนี่ผมคิดอย่างนัน้นด้ยทีเปียกเย็นอย่างนึงกับเราขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนี่ไปลงปุ๊บสนามบินที่กรุงเทพดอนเมืองึ้นบาทเดียวว่าท่นมันเร็วไปอย่างซีฉะนั้นจึงผมอยากอยากเว่าแต่เรื่องนี้ถ้าให้ผมเว้าเรื่องนี้เนี่ยบื่อเมื่อยถ้าเว่าเรื่องอื่นเนี่ยผมเหนื่อยถ้าเว่าเรื่องนี้เนี่ยให้ผมว้าเท่าแดดก็ได้เพราะผมชอบผมมัก จะมีเงินมีทองนังนก็นดีอยู่บ่ได้ขัดขานแต่ความสุขประเภทเรื่องเงินเรื่องทองนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ความสุขเรื่องนี้น่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้าจะคิดน้ำหนักมีเงินล้านบาทมาซื้อเอาความสุขประเภทนี้ขายซะอยากจะเอาซะโอ้ยแล้วเท่านั้นแหละผมบอเอาแล้วที่เอามาให้งเงินล้านบาทนีความสุขประเทนี้น่ะผมว่ามันเหนื่อเงินล้านบาท ชีวิตของผมนี่ผมว่าผมได้ประสบความสุขอันนี้ผมจังว่าบเสือ่เผยทั้งเมดแต่ผมรับฟังครูบาอาจารย์สอนอย่างไรผมรับฟังเมดทุกองค์แม้จะเป็นเด็กเด็ก น, น้อยมาสอนผมก็รับฟังแต่ความจริงนั้นกลลเม็ดเว้านั้นผิดโดุดถูกผมสั่งซื้อผมรับฟังซื้อแต่ผมโบาคารผิดทูกเป็นเรื่องของคนเบาถ้าหากเราโง่นั้นเราก็ต้องศึกษา ตามปกติขวมโง่เนี่ต้องมาก่อรมัดทุกคนควมสลาดมาจึงมาตามหลังเมื่อหากขวมโง่โบกเกิลเคลื่อนเสีแล้วขวมสลาดโบมีผมนึกได้อย่างซีพอว่าสมัยผมเป็นเนรครูบาอาจารย์สอนให้เฮ็ดไปเมื่อทุกอย่างถ้าหากผมสลาดแล้วผมก็ไปงมเฮ็ดอย่างนั้นผมเฮ็ดตั้งแต่สมัยผมเป็นเนรเฮ็ดแบบมีรถโอ้ยผมมดเลยซีโบได้สึกคาปนนี้ผมจะได้เป็นพระเถระผู้ใหญ่ซ้าล่ะแม้ บางทีอาจจะได้เป็นเจ้าคณะตำบล น, นเขาก็เป็นได้บางทีผมจะได้เรียนนักทำตีทำโทรทาเอกสอบปเปลี่ยนได้คืออยัางมุ่เพิ่นอาจารย์มหาวิทยาลัย ไ, ไ, ได้ครับเมนบอกคันท่าผมบวชตั้งแต่พุนบุศิกเท่าปานนี้นี่แหละค่วมโง่ของคนมันต้องมาก่อนทุกคนทุกคนไปค่วมตลาดจึงมาตามหลังค่วมผิดมาก้อนว่าท่านสะกขับเป็นได้ค่วมถูกต้องจึงมาตามหลังเมื่อคนบุญจักข่วมผิดอยู่แล้ว คววมถูกต้องไม่มีเมื่อรู้จักทั้งควมผิดและควมถูกต้องทั้งสองอย่างนี่จริงนี่ว่าเป็นมัตสิ ม, มาปฏิปทามัตสิ ม, มาปฏิปทานั้นเดินทางเข้าไปสู่จุดบอกว่ารู้จักจุดนี่แหละมัตสิ ม, มาปฏิปาาทานเดินทางสายกลางรู้จักจุดที่สุดของมันนั่นแหะเห็นจุดนี่แหละเป็นมัตสิ ม, ม า, าจึงว่าบ่บ่ผิด โบทูอาจารย์โอเลสอนกับบอกถูกคาว่ามัตสิมมาปฏิปทานี่แปล ว, ว, ว่าค่วมวอลของผมไม่เนี่ยผมโบได้วอาของผู้อื่นไมเนี่ยผมโบได้ลูปริยัตเมื่อไปถึงจุดอาการเกิดดับนี่แหละเป็นมัตสินมาปฏิปทาบอกว่าโอ้เดินเข้ามานี่แล้วทึกป๊บเอานี่ลดเนาะนั่นนี่เนาะจุดเดียวเท่านี้เนาะแปดหมื่นสี่พันพันน้ำัน รวมลงมาสู้จุดเดียวเท่านี้เม้จะเรียนหนังสือได้ก็มาสู้จุดนี้เรียนหนังสือบอดได้ก็มาสู้จุดนี้เขียนหนังสือได้อย่างคลองแพรวก็จะมาทํางานอันนี้เขียนหนังสือบดเป็นจักโตก็จะมาทํางานสู้จุดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่ปัญหาของมันฉะนั้นนักปฏิบัติทุกคนจงพยายามให้ลู่ลูปนามแล้วเขาต้องมองจิตใจมันคิดนึกอย่างไรก็จะเอาไปให้อารมณ์ต้องปล่อยไป และเอาสติดูจิตอยู่เสมอไปจนกั้ที่จะเข้าใจปรมัดได้เมื่อเราเข้าใจปรมัดแล้วจิตใจของเราจะเปียนเองดอกบ่ได้บอกไผยดอกเมื่อมันจิตใจเปียนแล้วผมจะไปถามผมเคยถามท่านอาจารย์หลายท่านและตลอดถึงสมณเณรและโยมผู้ที่ปฏิบัติธรรมะด้วยกัน เมื่อจิตใจเปลี่ยนเข้าไปถึงประมาทัดขั้นแรกผมได้ถามว่าเป็นยังไงเข้าใจปรมัตน์บอกเข้าใจจิตใจเปลี่ยนแปลงไปบ่เปลี่ยนแ ป, ปลง น, น้นำหนักของตัวเจ้ามีสิบกิโลนี่จะเอาทิ่มจากกิโลบางคนก็บ่ทิ่มไปแล้วห้ากิโลบางคนก็ทิ่มไปสี่กิโลผมถามเป็นวิธีการอันนี้ครับเป็นพระได้บ่เป็นได้เป็นเทวดาได้บ่เป็นได้ผูกบ่ ผลการปฏิบัติถูกคําว่าถูกนี่รับรองได้ยังไงวะถูกเพราะผมว่เคยเป็นนางซีจักรเสือจิตใจผมเป็นแต่รูปลางหฮางสิงนี้โบเปลี่ยนได้เนี่ยชื่ว่าการเป็นท่านั้นนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี่เป็นท่าสมมุติแต่อย่าดทิ้งเอาไว้คันท่าเราทิ้มอันนี้ไปแล้วเหมือนกับเราทิ้มข้าเปลือกปีต่อไปนี้โบมีจิตข้าเปลือกจะไปให้เขาปลูก อนที่ไปคอยกินเข้าสุกบ้านเดียวนั้นบ่มีเขาเ้าเปลือกแล้วปีน้าในเฮตนาบ่ได้แล้วถูกฟ้าแรงกระตางฝนตกหลล่ายัวตามบ่มีเขา้ขเข า, ขบบเขาเปลือกแล้วแล้วกันบ่มีเข้าสุกกินจ้อยซ่ำกินเข้าสุกหมดแล้วกระบ่มีเข้าเปลือกแล้วกินเข้าเปลือกเรามลวดตายซำบะเนี่ยเนี่ยปัญหาอันนี้ให้ฝากไว้เมื่อทุกคนที่มาเราทำมาให้ฝั่งมือนีนั่นเราประวัติที่ การปฏิบัติธรรมะมาแด่และกับวาเรื่องวิปัสสนูวิปลาสให้ฟังทุกคนทุกคนจงพยายามตั้งหน้าตั้งตาเป็นเวลาของเราที่ได้ปฏิบัติธรรมะอีกตืม น, นั้นเพียงซี่วันเท่า น, นั้นแ่ะวันที่ห้านั้นพวกเราก็จะได้เลิกลากันไปยห้าหา้าผู้ใดยังมีศรัทธาอยู่เสื่อมั่นนั้นปฏิบัตินํากันแต่ก็บ่กเป็นอย่างหรือสิ่ากันปฏิบัติอยู่ดีเมื่อทุกคนบ่เลิกละเขาปฏิบัติท่านเมื่อตายแล้วจึงกัสสาทุอนุโมทนาด้วย เขาแหละเท่าที่ได้เล่ากันมาวันนี้ก่อนนึกว่าพอสมควรจะเห็ดเหนื่อยไปพูดอั้นกันนะเอะอขอพูดอีกอย่างจักน้อยหนึ่งครับลบควรเวลามาหลายพอสมควรแล้วกะาวังเขามันส่งดีหน่อยหนึ่งคือว่าในการทีหลวงพ่อเพื่อนได้แวาประวัตินี่อ่าผมกับเพื่อนอาจารย์มหาบัวทองแล้วก่นนาคณะครูบาอาจารย์ ได้พยายามขอลองให้เพื่อนหลวงพ่อเบ้าประวัติให้พวกนักปฏิบัติเท่าเลยทราบอย่างแจ่มแจ้งแน่มือเต้านี่ก็เว้าแม่แน่แล้วแต่ว่ามันกะเพื่อนบริใจเตรียมตัวก็เลยบันทึกเทปไวก้กะบนี่การขาดขาดโตกโตก๊กจกะอยากให้เพื่อนเน้นนัด ใ, ในเรื่องของการปฏิบัติสําหรับของเพื่อนตกลงกะเพื่อนก็เลยรับปากว่าชีว้าอีกตอนแรง เพราะฉะนั้นกะารพูดนี่บ่เป็นการโอ้ อ, อ, อ, อวดให้เขาเข้าใจแบบนั้นด้วยเหตุที่ว่าเพื่อนมีความเมตตาตอนหนักปฏิบัติอยากให้รู้อยากให้เข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นมันบ่เลือกบุคคลมันบ่เลือกเฉพาะว่าจิตเป็นขันธ์โยมหรือจิตเป็นป่าเป็นเล่นมี่สิมีที่สิเขา่าถึงธรรมะขึ้นกันอ่านนังซื้อบ่ออกอ่านหนังซื้อบ่ได้ก็สามารถที่สิเห็นแจ้งในธรรมะขึ้นกัน หรือว่าผู้ใดจิตไปคิดว่าเพิินเป็นการโอร้อวดหรือสิอวดอุตตรีมนุสธรรมย่างหนีเพิิกนกระถ่ายพิสูจน์ขึ้นกันเพราะหลักของธรรมานันเรียกว่าเป็นเอหิปัสสิโกคือท่าให้พิสูจนการท่าให้พิสูจน์ี่บริอไร้หมถือว่าเป็นการท่าท่ายแต่ว่าผู้ต้องการอยากพิสูจน์ผู้ที่สิมาโจดผู้ใดผู้หนึ่งนั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นแจงด้วยนะถ้าไม่เช่นั้นกับเขามาปฏิบัติด้วยตนเองตามคําแนะนําของเพิินย่างน่อยๆสามเดือนเพิินว่ารับร่องผล โดยเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัตินนัเองเห็นเองเข้าใจเองและหูเองอันนี้กับคอสนับสนุนคุ้มพูดของลุงพอซึ่งแต่ก่อนเพิ่นเคยพูดกับกับผมหรือญาติยโยมทางหลายกาที่บอาราบโดยเฉพาะนั่นเพิ่นเคยพูดเป็นส่วนตัวเคยคุ้ยกันฟังบ่อยที่สุดหลังจากที่ตอนอที่ได้ในภาษาผมได้ส่งพ่านเน้นมาปฏิบัติตวันนี้สามสุดด้วยกันตอนสุดท้ายเป็นผมมาอีก แล้วก็มาปฏิบัติอยู่นําเพิินแต่ก่อนกับโมหูนาหูโม่ไอหยังดอกพ่องูกัป่างมงูงงสาวาวปีกายนี่ก็มาเบอกถ้ามาเด่งหนาเด่งหลังอยู่กับมองนีรัตเป็นเวลาอยู่เจ็ดมือแล้วก็ไปเป็นยังสัน่นจักว่าไอหยังดอกไปสอนขาเจ้าก็ไดหากเอาไปยุพ่อบ้านนั่นวันต่อไปชักลากแนวข้นตาบอดสอนลูเป็นคอนอวดอวดดีมันก็เลยไปกันเรืลยๆก็เลยบอท่านห็นด่าเห็นเดือน ต่มาหนีคือกันนั่นแหละว่าให้มูฟั่งจังสั่นจังสีเรื่องสวรรค์นิพพานอนย่างก็คือกันกำโค้นอยู่บนดินแล้วก็ไปอธิบายดวงดาวในสองฝาจักว่ามันถี่ี่หนูพันสันฐานเป็นแบบใดแต่อธิบายให้กันฟัง่งตัวเองกันยังบอท่านขึ้นไปเหยียบดาวจักเคื่อแต่ว่าหักยากเบาพอวิสัยของคนมักเบามันเป็นอย่างสั้นอันนี้ก็ขอให้เข้าใจเมื่อหลังจากได้มาทำควมเข้าใจปฏิบัติธรรมะน้าหลวงพอเป็นเวลาหกหมื่นในภาษาพอวัดตตหามาทรงพระมาตรงเน้นมาในพภรษามาสามสุดมาสุดละสีสุดละหา ในวัดมีอุดมการณ์อยู่ว่าผ่าเน้นในวัดถ้ามเสียนาพัฒนารามทุกลูกต้องผ่านการปฏิบัติจากสำนักดีปรสนาโมกขาหนาร่างหนึ่ทุกลูกถ้าบอยฉนั้นบอหลับเข่าสำนักอันนี้มีอุดมการณ์ไว้แบบนั้นคิดว่าเป็นอันเดียวกันก็จีเป็นอันเดียวกันนี่การหนึ่งจะว่าคั่วติดตอ่อกันโดยเฉพาะเพื่อนรวม ง, งานกันซึ่งเพื่นมหาบัวท่องเคยอยู่น้ากันทํางานนึ่งกันสมัยอยู่จังหวัดเลยแล้วกาติดตอ่อให้การสนับสนุนกันยุ่เรื่อยอ่า กับผมเองก็บม่ได้ทราบว่าเพื่อนป็่นทำมาเพราะว่ายูน้ากันเมา่อพ่อวานนั้นแหละเมื่อปีเมื่อสัตว์บ่หูเลื่ยงอย่างอยู่จังวัดเล่ยหนึ่งปีมีสิบสี่เดือนอนี้หนึ่งปีก็อีกมีสิบสี่วันกาเพื่อนใหญ่ไปยุโรปเทศผมเองกาใหญ่ไปทำงานอยู่สระบุรีอีกแปดเดือนออกจากสระบุรีกับใหญ่มาหนองค่ายเดียวอีกสองเดือนก็มีสิบสามวันจากหนองค่ายกับหญ่มาอยู่อนเด็ดเจ็ดเดือนค่ายอยู่เดือนเจัว่าสิใหญ่ต่อไปใช่อีกชือกัน พ่อว่าจังแต่ตอนบวชไม่อยู่บนไหนบเกระดึงพันศาแต่กับจีว่าสิพยา่ามอยู่จังหวัดอุดรเห็มันได้พอสองพันาสักอนคันตหาว่าบวท่านพอสองพันศาแลือกับบท่ า, านย่างง่ายคอชีวิตมันสอบง่ายอยูย่เรื่อยๆแต่ว่าความตั้งใจนั่นถ้าหากว่าได้เป็นตำแหนักปฏิบัติแล้วคือสิ่ง่ายยากพ่อว่าเดี๋ยวนี้กําลังหักนักปฏิบัติหลายเห็นไม่ออกไม่ตุ่นยากโยมสนใจการปฏิบัติเห็นพาเน่นสนใจการปฏิบัติการรู้สึ ก, กดีอกดีใจน้าเป็นบุญเป็นคุณสนน้ำส่วนเรื่องปริญญาต์นั่นเฮ คือว่าเฮียนแล้วก็เลยให้เจ้าของโง่อยู่เลยไปที่ขอลองให้หลวงพ่อเพิ่นเป่าขึ้นมาหนิกะเพื่อเป็นการกระตุ้นศรัทธาของนักปฏิบัติผู้มีศรัทธาอยู่แล้วให้เพิ่มชั้นฐาวิริยาอุตสาหะของเขานี่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามลําดับเบอร์สามารถที่สีเหลืองลองขึ้นมาได้ถ้าหากว่าหลวงพ่อตายไปกะดีหรือว่ า, าคณะบุญบายอาจารย์ผู้แห่การอบรมมูเนี่ยตายไปก็ดีหรือว่านักปฏิบัติที่มาสู่นี่สู่โลกไพ่ไข่เจ็บหรือว่าขันธมา่านมันรังควนบอสามารถที่สี ต่อสู่ไปได้หออยู่สังขารปฏิบัติจนถึงฟังถึงฝาได้ก็ขอให้เป็นอุปนิสัยย่าประมาทย่าอาศัยควมเจียรขัดย่าอาศัยควบเป็นคนวญญายหนักสอนหนักย่าเป็นคนดืนด้านและอย่าเป็นคนดืดดึงเท้าต้องทําตนเป็นบุคคลที่ต้องเอาชนะกับสิ่งที่เท้าต้องการให้ได้โดยเฉพาะยังยิ่งนี่การปฏิบัตินี่ขอสี่แจงอย่างหนึ่งคือว่าเท้ามักมีอันตรายคนปฏิบัติถ้า ม, มานี่มีอันตรายแท้ๆบได้หมายถึงว่าอันตรายนี่สิเกิด นี่เฉพาะคนที่อยู่นอกศีลนอกถ้ำเท่านั้นนี้คนอยู่ในศีลในธถ้ำนี่ก็มีอันตรายคือกันโดยเฉพาะอันตรายข้อแรกที่สุดคือกิเลสอันตรายะหมายถึงกิเลสเป็นอันตรายกิเลสเป็นอันตรายนี่นับตั้งแต่ควบงง่วงเหงาห้านอนควบงหิวควบงอยากควบงอวดดีควบงเป็นคนหมักเว่ามักคุยมักสนทนามักเป็นคนโอ้อวดต่างต่านี่หรือว่าเป็นคนชุนเฉียวอารมณ์โกรธง่ายบุญหัจักการปล่อยวาอย่างอี่าง่างต่างนี่ถือว่าเป็นกิเลสอันตรายยะกิ Likewise, กญญกดเลสเป็นอันตราย บางที่กับมากพอมาปฏิบัติแล้วก็เกิดลังเลสงสัยในตัวคูบาอาจารย์บอกจริงบ่หน่อจังสันจังสี่ล้วมาปฏิบัติเสียเวล่เวลาอยู่บั่นอยู่ซองเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สี่เดืเงินเก่าบาทสิ บ, บาทหรือว่าถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์กับสวดนาคบอกหรือว่าไปกรรมฐานบอกกับสิ่ดือนที่หาบาทสิ บ, บาทก็ ส, สี่พ่อผสมปภาเสไปค่วมห่วงในหลับสกัลาก็มีคข่วมลังเลสงสัยกะมีนี่มันเป็นนิวร้อนเข่าขอบงํากันกันจิตบ่อยบรรลุค่วมดีและอีกอย่างนึงกับกุ๊ก อุทจกักกูกุจกักควมปุ่งส่านและลำขัน้นโยกับงุดยิดใจเดียวกับลำขั้นผู้นั้นเดีย๋ยวยุเขากับไปพ่อเขาเจ้าของกัไปคือสร้างเขาอยู่พ่อปนั้นอันเรื่องนี่แย่นี่เรียก ว, ว่าอุทจกักกูกุจกักงุดยิดแม่กระทั้งเดียินีเสียงพายบอกไอ้ยิ้ ง, ง ก, กับลำขัน้นอันนี้เขาต้องหูวให้ท่านเมื่อห่วงให้ท่านแล้วพายนิ่มใส่จิตดูจิตเอาสติเบื้งจิตแล้วอารมณ์ต่างๆมันก็นหายไปพายน่มตามมาให้ท่นเข้าสู่ทุกสู่ยากสู่ลาบากมาแล้วเรื่องลูกฝูงโคหรือว่า แคบเดียวชีวิตบอลอดมาแล้วกับชีวิตนั่นเข้าเป็นอย่างจังคอยไปสู่ไปเห็ดหายเห็ดหน้ามันบอ่อตายบอกว่าลำบา ก, บกมันกกาตายขึ้นกันเมื่อกาเสียงตออัตลายขึ้นกันย่างไปหน้าเอา้าบางที